โรนางดชัยเสียงครับขอโอกาสอารัธนานิมนต์หลวงพ่อไปโปรดแสดงธรรมแก่พวกเราด้วยกัน สวัสดีปีใหม่ก็ช้าไปหน่อยนะแต่งานนี้เป็นงานนิมนต์ครั้งแรกของปีนี้ที่หลวงพ่อรับนะจริงมีก่อนนี้งานหนึ่งแต่ว่าเจ้ภาพจัดงานไม่ทันเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันพวกเราชาวพุทธด้วยกันทุกคนมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาส ผู้หญิงผู้ชายเราอยู่ในบริษัทเดียวกันใล้คล้คนการบินไทยอยู่บริษัทเดียวกันเราเป็นพุทธ บ, บริษัท่นนหน้าที่ของเราทุกคนนะมีความสำคัญด้วยกันเท่านั้นศา ส, สนาจะอยู่รอดหรือไม่อยู่รอดก็อยู่ที่พวกเราทุกคนมีความสำคัญด้วยกันทุกคนพันการที่เราได้มาฟังธรรมเนี่ยประโยชน์เบื้องต้นเลยเราได้กับตัวเอง เรารู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นขอรับรองว่าชีวิตดีขึ้นแนนะ่ถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงๆสิ่งที่เป็นผลประโยชนถ้าหากพวกเราศึกษาเข้าใจธรรมะขึ้นมานะก็คือศาสนาจะมีผู้สืบทอดด้วยนะแตอย่าคิดว่าผู้สืบทอดศาสนาเป็นพระเท่านั้นทุกคนนะมีสิทธิ มีส่วนถ้าเมื่อไรเราภาวนาจนใจของเราเป็นพระถึงโดยสมมุติเราจะเป็นคารวาะแต่โดยเนื้อแท้เราก็สามารถเป็นพระได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันอยู่ที่ว่าใจเราเข้าใจถึงธรรมไหมถ้าเราเข้าใจถึงธรรมมแล้วก็เป็นพระอันเดียวกันทุกวันนี้เราแบ่งเป็นพระเป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิการเราแบ่งโดยสมมุติ โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดมก็คือแต่ละคนแต่ละคนที่เราเห็นว่านี่พระนี่โยมนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายมนะันเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายโดยสมมุติหรอกโดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่มีพระไม่มีโยมหรอกไม่มีผู้หญิงมีผู้ชายโดยเนื้อแท้เราจับแยกออกไปอย่าไปติดแค่ภาพดวงตาว่านี่ผู้หญิงผู้ชายนี่พระนี่โยม เนื้อจริงตัวจริงของพวกเราทั้งหมดนะมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าขันห้าคือรูปธรรมคือนามาทำทั้งหมดเลยนี่คนทั้งหลายนันไปติดอยู่แค่สมมตุติก็เลยคิดว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาอย่าเบื้องต้นเลยสมมุติขันห้ากลุ่มหนึ่งนะอย่างหลวงพ่อถ้าหลวงสมมุตินะนี่ขันห้ากลุ่มนี้เรียกว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยขันห้ากลุ่มนี้เรียกคุณต่อยอะไรเนี่ยนะ ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอเราแยกออกไปนะเราก็พบว่าทั้งหลวงพ่อประมวททั้งคุณต่อยนะมันเป็นภาพลวงตาตัวจริงมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธรรมกัสกกบส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆส่วนที่เป็นนามธรรมก็ประกอบด้วยความรู้สึกนะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี่ส่วนหนึ่งความจาได้ความหมายรู้ส่วนหนึ่ง ความปรุงดีความปรุงชั่วนะส่วนหนึ่งอย่างกิเลสนี่ก็เป็นความปรุงจิต ท, ที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เป็นอีกอานหนึ่งนะบรรดาสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะั้นแยกแย ก, แยกออกไปเป็นขันหนะ้ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราสามารถแยกออกไปได้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้แยกออกเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่แยกน้อยที่สุดลนะละเอียดขึ้นไปรูปธรรมก็แยกออกเป็นธาตุ นมามธรรมก็แยกเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางๆไม่ดีไม่ชั่วนะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ถ้าเรามีสติปัญญาพอเราสามารถแยกแยะรูปธรรมนามธรรมออกไปได้แล้วเราจะเห็นความจริงว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เป็นตัวตนนั้นไม่มีนะมันไม่มีตัวมีตนมาแต่แรกมันมีแต่ความหลงผิด ความสำคัญผิดว่ามีตัวมีตนเราหลงสมมุตินั่นเองกลุ่มของขันมารวมตัวกันเป็นอย่างนี้ถ้าหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เราก็บอกนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงถ้าสมมุติต่อไปก็ port, นี่เป็นพระนี่เป็นโยมอะไรี้สมมุติต่อไปนี่พระองค์นี้ชื่อนี้ชื่อ น, นี้ชื่อนี้โยมคนนี้ชื่อนี้ชืมม่อนี้นี่เรื่องของสมมุติทั้งหมดเลยถ้าเราหาัดภาวนานเราจะเพิกถอนสิ่งที่เป็นสมมติเราจะดูเขาไปในตัวจริง ดูเข้าไปในเนื้อแท้ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกพวกเรามีความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีตัวเราอย่างเรารู้สึกว่าร่างกายนี้คือตัวเราเพราะร่างกายต้องแก่ก็ทุกข์ใช่ไหมไม่อยากแก่ในนี้ก็ผู้หญิงเยอะหลายคนใช่ไหมผมข อ, อถามหน่อยตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยงไงสดชื่นหม ตีนการันที่หนึ่งขึ้นรู้สึกยังไงรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหมหาทางต่อสู้สู้สุดลทธิสุดเดชเลยทำไงมันจะหายไปอันที่สองใช่ไหมเริ่มหวั่นไหวมากแล้วโอ้ถ้าจะแย่ถ้าจะสู้ไม่ไหวแล้วเพราะอันที่ห้าอันที่หกชักชักโปรงตกเลยคือถ้าพอมันจะแก่เนี่ยร่างกายมันต้องแก่แล้วใจเรายอมรับไม่ได้เรารู้สึกนี่นี่ตัวเราอะร่างกายนี้คือตัวเรานะพอมันจะแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์สิในความเป็นจริงมันต้องแก่ ถ้ายอมรับความจริงได้นะนี่แก่ก็มีความสุขได้แต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ะร่างกายมันแก่เราก็ทนไม่ได้แล้วทุรนทุรายร่างกายมันเจ็บขึ้นมาก็ทนไม่ได้ทุกคนมันต้องเจ็บต้องไข้เท่านั้นนนี่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันป่วยร่างกายมันจะแตกสลายมันเจ็บหนักแล้วมันจะตายแล้วร่างกายมันเป็นคนเจ็บเราไปยุ่งอะไรกับมันถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายมันต้องเจ็บไข้เป็นธรรมดา ถ้มันเจ็บไข้ขึ้นมานะใจเราไม่หวั่นไหวใจเราไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์มันอยู่ที่กายเท่านั้นความทุกข์มันไม่เข้ามาถึงใจนะเวลาร่างกายนี้จะตายถ้าเราภาวนาเป็นนะเราดูไปกายมันตายนะนะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นตัวเราร่างกายจะตายเราก็ทุกข์ด้วยแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเป็นเรื่องตามธรรมชาติธรรมดามันหนีไม่พ้นอะ่ะทุกคนต้องเจอทั้งหมดเลยเพราใจมันยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ใจจะไม่ทุกข์นะมันจะเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยเราหัดภาวนานะเพื่อจะได้เห็นความจริงความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจยอมรับความจริงใจเห็นความจริงได้พอร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจจะไม่ทุรนทุรายลนะใจจะมีความสงบสุขอยู่ ไปดูครูบาอาจารย์นะผู้แก่ผู้เฒ่าหลวงพ่อเมื่อก่อนศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยอายุมากมากเลยแต่และวงแก่ๆทั้งนั้นเลยนะอายุทั้งแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปนะดูแต่และวงมีความสุขอย่างเลยบางองค์ก็ไม่สบายมากนะอย่างหลวงปู่สุวัตเป็นอัมพาตนะแต่เดิมก็แข็งแรงเดียแล้วลดคว่ำนะตกลงไปในท้องนาก็เป็นอัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านมีความสุขได้ยังไง ถ้าเราต้องอยู่ๆวันหนึ่งกเกิดอุบัติเหตุเราต้องนั่งรถเข็นเราจะรู้สึกยังไง ร, รู้สึกทนไม่ไหวใช่ไหมเราจะทุกข์เข้าไปกราบท่านแนละท่านบอกโ อ, อ้สุขแท้นาะสุขแท้นาะเราดูท่านสุขได้ยังไงนะท่านเจ็บขนาดนั้นนะท่านพิการเดินไม่ได้แล้วนะท่านมีความสุขอยู่ได้เพราะใจของท่านมันเป็นอิสระจากร่างกายของท่านนะนี่พวกเราค่อยๆฝึกนะวันใดใจเราเป็นอิสระจากร่างกายเราไม่ยึดถือในร่างกายเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกละ ในส่วนของจิตใจเหมือนกันจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายจิตใจนี้ไม่เคยคงที่เลยมีใครที่จิตใจเที่ยงไหมมีใครใครจิตใจเที่ยงใครเคยมีความสุขตลอดเวลามีไหมใครเคยทุกข์ตลอดเวลามีไหมใครเคยโกรธตลอดเวลามีไหมใครโลภตลอดเวลามีไม่มีเห็นมดันั้นจริงๆแล้วจิตใจนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็เป็นของชั่วคราวอีก ไม่มีหรอกสุขถาวรแต่พวกเราเที่ยววิ่งหาความสุขตลอดเวลาเรารู้สึกไหมเราอยากได้ความสุขถ้ามีความสุขแล้วก็อยากให้มันถาวรด้วยเนี่ยเราไม่เข้าใจความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตคือมันไม่มีสุขจริงหรอกความสุขเป็นภาพลวงตาเล็กๆน้อยๆที่มาขั้นระหว่างความทุกข์นั่นเองเมื่อไรความทุกข์มันลดลงนะเราก็รู้สึกว่ามีความสุขเมื่อไรความทุกข์มันแรงขึ้นเราก็ว่ามันทุกข์ นี่เราเที่ยวหาความสุขไปเรื่อยๆดิ้นไปเรื่อยใจที่ดิ้นรนนะใจที่ปรุงแต่งใจอันนั้นไม่มีความสุขที่แท้จริงเหมือนคนที่ยังทํางานไม่เสร็จมีงานที่ต้องเป็นห่วงอยู่นะเพราะฉะนั้นหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ไม่เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วงานอื่นไม่ต้องทําอีกแล้วนะชีวิตมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล<ม>ใจของเรานี่มันเต็มไปด้วยความหิวมันอยากตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากโน่อนอยากนี้ก็ทั่งอยากมาฟังเทศนะ เรจะอยากมาฟังเทศก็เริ่มกังวลอีกแล้วจะได้นั่งหน้าๆไหมอยากมานั่งหน้าๆนะแต่ว่าอยากมาชา้ชาๆความอยากมันขัดแย้งแล้วอยากมานั่งหน้ า, นาๆนะอยากมาส่งกันบ้านแต่ว่าขี้เกียจออกจอากบ้านอยากออกชา้าๆใจเรานะ่าเต็มไปด้วยความอยากเพรมีความอยากเกิดขึ้นแลใจเราถูกบีบคั้นตลอดเวลาเลยงั้นเราค่อยๆศึกษานะเราจะเห็นเลยใจนี้เต็มไปด้วยความอยากใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจไม่ใช่ของที่เที่ยง เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเราดูของจริงอย่างนี้จิตใจก็มาหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะมีความสุขไปเดี๋ยวไปดาวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปแล้วนะความสุขในทางโลกนะมันคล้ายคคนเปียรแชร์ใครเคยเล่นแชร์ซะถามไหถา ม, ถามตรงตร ง, ตรงมีไห ม, มติคลรห้ามรัฐวิสาหกิจเล่นแชร์นะมีนะห้ามกิจการห้ามรัฐวิสาหกิจนะแต่พวกเราก็เล่นใช่ไหมไม่ต้องยกก็ได้นะั่เดี๋ยวผู้บัชาเห็น เราผู้มีชาติรู้ว่าเล่นด้วยกันนะเวลาเราเปียรแชร์ได้มีความสุขรู้สึกไหมแต่มีความสุขแว บ, บเดียวนะั้นะถัดจากนั้นจะต้องส่งแล้วนะไม่มีความสุขแล้วนะความสุขในโลกเหมือนเปียรแชร์นะมีความสุขแวบบๆนะเดี๋ยวๆนะโอความทุกข์ตามมาเป็นแถวเลยถามนยหนุ่มๆทั้งหลายทั้งหนุ่มมากหนุ่มน้อยคนไหนแต่งงานแล้วยกมือให้ดูหนะ่อย ขาหันหน่อยสารภาพมาไม่ต้องกลัวคนอื่นรู้ไม่ต้องกลัวกีกลัวมีเมียแล้วนะสังเกตไหมตอนจีบสาวใตใหม่ๆอ่ะมันรู้สึกยังไงแต่งมาหลายๆปีแล้วรู้สึกยังไงดีด้าเหมือนเดิมไหมไม่มีเลยใช่ไหมทีแรกก็น้องจา้าน้องจา๋าใช่ไหมต่อมาก็อีแก่ทํานองเดียวกันแหละผู้หญิงก็เริ่มพี่จา้าพี่จา๋าลงท้ายก็ไอ้แก่รวมแล้วมันแก่ทั้งคู่ แม้กระทั่งความสุขอย่างนี้นะความสุขในชีวิตครอบครัวนะมือว่าอยู่ชั่วคราวนะแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่ไม่ผ่านไปนะั้นเราค่อยๆสังเกตที่ใจเรานะใจเราเนี้ยดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลาเหมือนเหมือนจะได้มาแล้วก็หลุดมือไปเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะถ้าเราปรารถนาแต่จะได้ความสุขถาวรนะความดีถาวรเราอยากได้อะไรที่ถาวรนะมันเป็นสิ่งซึ่งไม่มีจริง อยากได้ของซึ่งไม่มีจริงนะมันไม่มีวันสมอยากะนะเราอยากได้มีความสุขถาวรความสุขถาวรไม่มีความสุขมันมีอยู่ชั่วคราวเพราะความสุขเองก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเราอยากได้สิ่งซึ่งมันไม่มีมันก็ไม่มีทางได้เพราะฉั้นเราวนเวียนอยู่ในโลกนะใจเราจะเต็มไปด้วยความอยากอยากจะทำอะไรลงท้ายมันก็คืออยากมีความสุขนั่ น, นแหละตะเกียกตะกายหาความสุขแทบแย่เลยเหมือนวิ่งไ erm ล่จับเงานะมือเหมือนจะจับได้แต่ไม่เคยจับได้หรอก ใครเคยมีความสุขแล้วถึงอกถึงใจนิรัดนดร์มีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่พวกเราหรอ ok. กต้องภาวนานะภาวนาจนวันที่ใจมันปล่อยวางนะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจได้มังจะมีความสุขเกิดขึ้นเปงความสุขที่เป็นอิสระนะไม่ใช่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขของเราทุกวันนี้เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลามย ลองนึกดืสิจริงไหมอย่างเราอยากได้มือถือใช่ไหมไปซื้อมาเนี่ยความสุขเราอีงอาศัยมือถืออันใหม่นี้บางคนไปซื้อรถยนต์มาใช่ไหมความสุขเราอีงอาศัยรถนี้พอรถถูกขีด ถ, ถูกควรไปหน่อยความสุขหายไปละ้นความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขอยู่ไม่นานนะเขาก็เปลี่ยนไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ความสุขที่หวังไว้มันก็เลื่อนเลื่อนลอยออกไปอีกล งั้นมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตะเกียกตะกายหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขนั้นเป็นภาพโล่งตาเนี่ยเรามาศึกษาจนให้เห็นความจริงนะความจริงของชีวิตนีร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์นะร่างกายนี้ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้จิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในสภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้สุขตลอดไม่ได้ทุกข์ตลอดไม่ได้ดีตลอดไม่ได้ชั่วตลอดไม่ได้ นี่เรียกว่ามันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็มันไม่บังคับไม่ได้นะเราจะสั่งจิตใจให้สุขอย่างเดียวห้ามมันไม่ให้ทุกข์เราก็ทำไม่ได้สั่งให้มันดีอย่างเดียวห้ามมันไม่ให้ชั่วเราก็ทําไม่ได้ pues นี่มันเป็นอนัตตาหมายถึงว่ามันไม่อยู่ในอนํานาจบังคับของเรานี่คือความจริงความจริงของกายความจริงของใจความจริงของกายความจริงของใจมันก็คือความจริงของสิ่งที่เราเคยหลงว่าเป็นตัวเรานั่นเอง เราค่อยๆมาเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจนะเพื่อให้เห็นความจริงว่จริงๆทั้งกายทั้งใจนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้นะไม่ใช่ตัวตนถาวอนที่เราจะสั่งได้ตามใจชอบนะตัวตนถาวอนไม่มนะีมีแต่ความหลงผิดเป็นคราวๆ ว, ว่านี่คือเรานี่คือเราเพราะไปหลงสมมตินะพอเรามาดูเนื้อแท้ของมันสิ่งที่เรียกว่าเราสิ่งที่เรียกว่าเร า, เ ร, ว า, เ ร, ารวมลงมามันก็มีกายกับใจเนี่ย ดูลงในกายกายก็ไม่ใช่เราจริงนะกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุกายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ตัวสุขอย่างแท้จริงนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เหมือนกันมีแต่ความแปรปรวนตลอดเวลานี่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงนะเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ชั่วคราวก็หายไปร่างกายที่แก่อยู่ชั่วคราวก็หายเหมือนกันเห็นไหม ทุกอย่างก็เกิดแล้วดับหมดกันจิตใจก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดเลยไม่มีหรอกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถานบลนะถ้าเราหัดภาวนาจนเราเห็นอย่างนี้ได้นะใจเราเป็นอิสระใจเราจะไม่ยึดถือในกายยึดถือในใจเพราะเรารู้แล้วไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของที่ยึดถือไว้ได้เมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งใดนะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเราจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกการที่เรายึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเนื่องมาจากกายจากใจของเราเอง ถ้าเราไม่ยึดจากกายยึดใจกระทั่งตัวเองอย่าไม่ยึดเลยจะไปยึดอะไรอย่างบางคนไปยึดลูกห็นไหมมีลูกมันเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเราเห็นไถ้าตัวเราไม่มีนะมันไม่ใช่ลูกของเราลนะแต่มีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงนะอย่ามาอ้างว่าหลวงพ่อประโมทบอกลูกไม่ใช่ของเร า, าไปใส่ถังขยะนะไม่ใช่นะนั่นข้าอ้างละนะ มีภารากิจทางโลกก็ทําไปโดยสมมุติอนะไปผลิตมันขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแลใช่ไหมต้องอบรมสั่งสอนต้องเลี้ยงดูนั้นโดยสมมุติก็ต้องหลงไปต้องทํางานไปตามสมมุติด้วยความเท่าทันมันนะรู้เท่าทันมันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี้ยของชั่วคราวทั้งหมดนะเรียนเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะท่านผู้ที่สามารถภาวนาจนเห็นว่าตัวตนถาวรไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านเหล่านี้แหละคือพระโสดาบัน ใครเคยได้ยินชื่อคําว่าพระโสดาบันบ้างมีไหมมีไหมมีไหมีม ม, มีไหมนี่ได้ยินทั้งนั้นแหละนะรู้ไหมเป็นยังไงพระโสดาบันมีอะไรนะ ส, สพระโสดาบันมีศีลศีลบริบูรณ์นะอืมพวกเรามีศีลบริบูรณ์ไหมศีลข้อไหนรักษา ย, ยากที่สุดโอข้อสีแมนะ่ตับฉาฉา น, นถูกต้องเลย สิ่งข้อสีรักษายากที่สุดเลยดังพลอยง่ายนะ <c oughs> สิ่ข้อสี่มุสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โกหก <c oughs> มุสานะมันคลุมไปถึงสอดเสียดเนี่ยสอดเสียดคือยุให้เขาทะเลาะกันอยุทางนี้ทีอยุทางนี้ทีสอดเสียดพูดคําหยาบพูดคําหยาบกอสีน ด, ดังพลอยพูดเพิรเจอพูดเพิรเจอร์ก็สีนดังพลอยพูดเพิรเจอร์เป็นยังไงพูดในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องพูดมีไหมวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งมีไหม เยอะมากเลยบางคนบอกมากกว่าพูดความจริงอีกงั้นศีลข้อสรักษายากนะพระโสดาบันมีศีลท่านมีศีลเพราะว่าท่านจิตใจของท่านภาวนา ม, มาดีนะสติมันรวด เ, เร็วเร็วกว่าพวกเราพรกิเลสมันเกิดเนี่ยท่านรู้ทันละกิเลสหยาบหยาบเกิดขึ้นน่ารู้ทันคนเราทําผิดศีลได้เพราะว่าถูกกิเลสครอบงำนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกนะะวันหนึ่งจะได้เป็นพระโสดาบันหาดรักษาศีลไว้ก่อน ทีแรกเรายังไม่มีศีลอัตโนมัติหรอกไม่ใช่ศีลของพระอริยะยังเป็นศีลของชาวบ้านธรรมดาอยู่ตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนศีลเป็นเครื่องมือขัดเกลากิเลสอย่างหยาบหยาบทุกคนต้องมีกิเลสอย่างหยาบเท่านั้นแหละโกรธแรงแรงใครเคยโกรธแรงแรงไหมใครเคยโลบแรงแรงไหมก็มีทุกคนเหรใช่ไหมเวลาที่เราถูกความโกรธครอบงําเนี่ย ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะเราผิดศีลง่ายพาถูกความโกรธครอบงำเราก็ไปกระแนะกกันแสเขานี่นี่อย่างอ่อนๆใช่ไหมไปไประชดไปชันกระแทกโคลงคลามเดินกระแทกส้นเท้าอะไรเงี้ยนะรุนแรงขึ้นมาก็ไปด่าเขาพิยุให้เขาเสียหายไปว่าเขาอะไรเงี้ยหรือไปทําร้ายร่างกายเขาเนี่ น, นี่เพราะโทสะครอบงําจิตได้นะศีลเราก็ดังพ้อยง่ายเพราะโลภะครอบงําจิตนะศีลก็ดังพ้อยง่ายคนเราไปขโมยเขาได้ไปเป็นชู้เขาได้นะ ไปยักยอกเขาได้อะไรนี่ก็เพราะโลภะครอบงําจิตนะงั้นถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ดีนะไม่ใช่แค่มาถึงก็อารัธนาศีล น, นะพอเจอหน้าพระเนี่ยโยมชอบมากเลยเจอหน้าพระหน้ะอารัธนาศีลอารัธนาเศีกก็ได้เวลาฟังธรรมคุยกันจกจักจกจักเลยพูดเพ้อเจ้อละศีลเริ่มหายไปละนะงั้นเราตั้งใจนะเราค่อยค่อยฝึกวิธีที่ฝึกให้เรามีศีลเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่หรอกเราคอยมีสติรู้ทันใจตัวเองไป ที่เราเคยได้ยินคำว่าดูจิตดูจิตไหมดูจิตเนี่ยทำให้เกิดศีลดูจิตทําให้เกิดสมาธิดูจิตทําให้เกิดปัญญาก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ไปไม่ค่อยถึงปัญญานะไปได้แค่สมาธิส่วนใหญ่เพราะปัญญาเนี่ยทำยากไม่ว่าฝึกมาแนวไหนนะส่วนมากไม่ค่อยขึ้นปัญญาที่แท้จริงนะพระอริยะเลยขาดแคลนส่วนมากได้แค่สมาธินะทุกแนวทุกสายอะนะก็ะทั้งไปดูจิตดูใจดูไปดูไปใจไปอยู่ในความว่างเนี่ยอย่างนี้ไปติดสมถนะละ นี่เราหัดรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันไว้นะนี่ลงมือถึงภาคปฏิบัติแล้วนะฝากให้พวกเราไปลองฝึกดูจิตดูใจตัวเองดูการดูจิตดูใจตัวเองนะเป็นวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายๆนะสำหรับคนซึ่งทำงานที่ต้องคิดทั้งวันอยู่แล้วพวกเรานะวันหนึ่งวันหนึ่งวุ่นวายมากมายนะมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องปวดหัวเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่มีเวลานั่งสมาธินา น, านๆนะเราไม่มีเวลาเดินจงกรมมาหลหล า, หลายชั่วโมงนะ เราก็ทํากรรมฐานเท่าที่เราทําได้ค่อการหัดสังเกตจิตใจตัวเองไปคล้ายๆนะคล้ายๆเหมือนคนจีนสมัยก่อนมาอยู่เมืองไทยนะประเภทเสือผืนหมอนใบอะไรเนี่ยเรายังยากจนอยู่กว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทแต่ละสะตางหายากนะค่อยสะสมไปสะ ส, ส, สมไปต่อไปก็รวยขึ้นมานหากินง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็เหมือนกั น, นพวกเราตอนนี้ยังยากจนอยู่เราทําฌานก็ไม่เป็นนะจะเข้าฌานอย่าง ที่คนสมัยก่อนหรือครูบาอาจารย์รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านทําสมาธิกันหลายๆปีบางองค์ทาตั้งหลายปีทําสมาธิอยู่นั้นให้พวกเราไปนั่งสมาธิพอตกค่าไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับเลยเพราะว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วนะงั้นเราก็ภาวนาแบบคนยากคนจนไปหน้าเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อลยให้มีสติไวนะ้มีสติรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอย่างใจมันโลภขึ้นมารู้ทันใจมันโกรธขึ้นมารู้ทันใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันใจมันหดหูก็รู้ทัน ใจมันสุขใจมันทุกข์คอยรู้ทันบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตใจตัวเองนะการรักษาศีลจะง่ายนะเพราะหลวงพ่อบอกแล้วนะคนเราทําผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงําใจเราได้ถ้ากิเลสครอบงําจิตใจไม่ได้ไม่ผิดศีลหรอกนะงั้นเราคอยมีสตินะคอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อ ย, ยความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันนะวิธีรู้ทันความโกรธให้ความโกรธเกิดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยรู้ว่าจิตโกรธ เวลาที่เราจะดูจิตดูใจเราอย่าไปตักจ้องไว้ก่อนบางคนไปจ้องรอดูว่าเมื่อไหร่จิตจะมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาถ้าเราไปจ้องไว้นี่จิตจะนิ่งนิ่งทื่อ ท, ทไม่มีอะไรให้ดูเลยเพราะฉะการดูจิตที่ดีเนี่ยปล่อยให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตามรู้เอานะมันโกรธขึ้นมาอ้อมันโกรธขึ้นมาแล้วนะมีคําว่าแล้วด้วยมันโกรธขึ้นมาแล้วเรารู้ทันนะจิตมันโกรธขึ้นมามันอยากแล้วมันเห็นสาวแล้วมันอยากจีบเขาเนี่ยรู้ว่ามันอยากละ ความอยากเกิดขึ้นก่อนเรารู้ว่าอยากความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอยฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่ไปก่อนแล้วรู้ว่าหดหู่เนี่ยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนอย่าไปดักดนะูถ้าเราดักดูแล้วก็มันจะไม่มีอะไรให้ดูทุกอย่างจะนิ่งไปหมดนะอย่างของคุณผู้ชายนั้นนะภาวนานชอบดักดูเนะปิดรอดูจ้องไว้เงี้ยจ้องจ้องเมื่อเมื่ไรจะมีอะไรโผล่ไม่มีอะไรผล่มันจะนิ่งไปหมดเลย เราปล่อยให้จิตมันทํางานตามธรรมชาตินะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละพอกระทบอารมณ์แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์นะเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดยินดีเกิดยินร้ายขึ้นมาเราค่อยมีสติตามรู้มันนะเช่นโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธโลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภรู้รู้แล้วทำอะไรอีกไหมรู้แล้วไม่ต้องทําอะไรรู้เฉย เราภาวนาไม่ใช่เพื่อให้จิต ด, ดีถาวรนะเพราะเราไม่เรารู้แล้วว่าดีไม่มีถาวรหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขถาวรเพราะเรารู้อยู่นะว่าความสุขถาวรไม่มีเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะพระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้นะพระโสดาบันท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดางั้นเราคอยมีสติรู้ทันในใจเรานะเดี๋ยวสุขเกิดเดี๋ยวทุกเกิดเดี๋ยวเฉยๆเกิดนะเดี๋ยวดีเกิดเดี๋ยวชั่วเกิด ชั่วก <inequ ity S 1> ็แยกแย่ออกไปนะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงนะเป็นฟุ้งซ่านเป็นหดหู่เป็นลังเลสงสัยนี่นา <ara> นาชนิดอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลูกเดียวถ้าเรารู้ลูกเดียวนั้นเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปจริงๆความโกรธก็อยู่ชั่วคราวนะพอความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโกรธก็หายไปความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความโลภก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันความทุกข์จะหายไป ความสุขเกิดขึ้นมีสติรู้ทันต้องหายไหมไม่จําเป็นเพราะเพราะว่าความสุขไม่ใช่กิเลสนะถ้าเมื่อไหร่เป็นกิเลสนะเรามีสติรู้ทันกิเลสเมื่อไหร่กิเลสจะดับทันทีเลยแต่อย่างจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเรามีสติรู้ว่าจิตเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ไม่จําเป็นต้องดับนะแต่ถ้าดูไปเรืถึงจุดหนึ่งก็ต้องดับจิตที่เป็นกุศลที่เกิดแล้วก็ดับแล้วก็กลายเป็นจิตอาฆุศลนะนี่ยเราฝึกดูอย่างนี้เรื่อย ต่อไปพอกิเลสอะไรไหแวบขึ้นในจิตเรามีสติรู้ทันนะกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลโดยอัตโนมัตินะนี่เราจะได้ศีลขึ้นมาแล้วการที่เรามีสติรู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตไหลไปแวบ ร, รู้สึกจิตไหลไปแวบ ร, รู้สึกปกตินั้นจิตของเราไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลานะจิตเราวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้ใครเห็นตัวนี้บ้างนะฝึกมาใครฝึกกับหลวงพ่อมานานๆบ้างมีไหมในห้องนี้เห็นไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาได้ จิตหลงไปทางตารู้จักไหมจิตหลงไปทางตาเวลามันไปดูอะไรนะมันจะวิ่งไปอยู่ตรงที่มันดูเอาทุกคนช่วยกันดูเอาดูพระพุทธรูปองค์นี้ดูซินี่เป็นพระจําลองพระที่ไหนสังเกตไหมตอนที่เราจดจ่อในการดูพระพุทธรูปองค์นี้ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมใจเราวิ่งไปอยู่ที่พระนึกออกไหมต่อไปดูอะไรดีเอาดูครูบาอานั่งอยู่นั่น นี่ครูบาเขินเป็นเหมือนกันนะสังเกตไหมตอนที่เราดูครูบาเราจะลืมตัวเราเองเนี่ยจิตเราหลงไปแล้วนะมันหลงไปข้างนอกมันไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะเวลาเราคิดจิตจะไหลไปคิดนะเป็นรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจพอแล้วพอะลยมไม่ต้องดูครูบามากนะตอนเป็นนี้หันมาดูตัวเองได้แล้วหลวงพ่อลืมบอกเลยว่าให้เลิกดูไดนะ้บางคนยังดูไม่เลิกนะดูไปเรื่อยๆ จะกลายเป็นกระสินจะเห็นคูบ้าตัวใสขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นดวงแก้วอะไรเงี้ยนั่นคือกสินแล้วนะเป็นสมถะกรรมฐานเวลาที่เราไปฟังนะจิตเราก็ไหลไปฟังลืมตัวเองเวลาเราดูจิตก็ไหลไปดูลืมตัวเอ ง, เเยเ อ, งอย่างเมื่อกี้ดูพระพุทธรูปจิตไหลไปอยู่ที่พระพุทธรูปลืมตัวเองเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังไปแล้วคิดไปฟังสลับกับคิด เห็นไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเรามีสติรู้ทันนะจิตหนีไปคิดแล้วเวลาที่จิตหนีไปคิดนี่มันรู้เรื่องที่คิดแต่มันลืมกายลืมใจเมื่อไหรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะั่นคือจิตฟุ้งไปหมดแล้วจิตฟุ้งสันนะ้นแล้วจิตลืมตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะงั้นเรามีสตินะรู้ทันจิตไหมจิตวิ่งไปดูรู้ทันไหมจิตวิ่งไปดูจิตจะตั้งมั่นนะมีสมาธิขึ้นมานะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่ลืมตัว จิตไปฟังนะเราเห็นจิตไหลไปฟังเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวเวลาจิตไปคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวการที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าจิตมันมีสมาธินะสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิหลับหูหลับตาอะไรนะอันนั้นก็สมาธิแต่เป็นสมาธิในขั้นลึกเอาไว้สําหรับเป็นที่พักผ่อนนะอัปนาสมาธิเอาไว้พักผ่อน สมาธิที่พวกเราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไหลไปปับ๊บรู้ทันนะจิตจะเกิดสมาธิคจิตจะตั้งมั่นขึ้นแว บ, บหนึ่งแวบบเดียวเท่านี้แหละพอแล้วนะคนโบราณเคยสอนนะว่าจิตตั้งมั่นชั่วอะไรนะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นใช่ไหมใต้บุญมากที่งกว่าไปสร้างวัดทั้งวัดอีกนะเคยได้ยินบ้างไหมเคยได้ยินไหมสัมนวนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้น เรือร่องงูกระดิกหูช้างแรบลิ้นคงนะไม่ใช่นา ะ, ะมันชั่วแวบเดียวนะนั่นคือถ้าใจเรามีสมาธินะรู้ตัวขึ้นมาทีเะแวบเดียวได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะกว่ายิ่งจะมาทําบุญใส่บาทอะไร น, นั้นก็ดีแล้วละ่ะแต่ถ้าใจมีสมาธินะเป็นบุญที่สูงกว่านั้นอีกนะนเพราะฉะนั้นเราอยากได้บุญเยอะๆนะหรือถ้าอยากยิ่งกว่านั้นคือจะภาวนาใจเราไหลไปเราคอยรู้ใจเราไหลไปคอยรู้รู้ทันจิตตัวเองนี่แหละจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา แต่ตั้งทีเราแวบบรู้สึกแวบบไหลไปอีกรู้สึกอแบบีกแวบไหลไปอีกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆแต่ไปกระแสะที่มันวิ่งไปไกลๆความรุนแรงในการที่จิตมันถูกผลักดันถูกตันหาผลักดันอย่างรุนแรงให้วิ่งตะครุบอารมณ์นะมันจะค่อยๆอ่อนลงนะตันหามจะว่าอ่อนลงนะจิตจะวิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่สุดจิตก็หยุดรู้เนือ้อรู้ตัวอยู่ได้ น, ะนี่จิตเรามีสมาธิตั้งมั่นนะพอจิตมันตั้งมั่นแล้วบางคนสบาย หัดภาวนาไปนะดูจิตดูใจไปใจไหลไปรู้ใจไหลไปรู้ในสุดใจไม่ไหลไปไหนะใจสบายอยู่อย่างนั้นอันนั้นได้แค่สมสถะนะยังไม่พอยังไม่พอที่จะพ้นทุกข์ได้จริงหรอกเราต้องฝึกให้เกิดปัญญาต่อไปดูจิตดูใจไม่ใช่ทําวิปัสสนาอย่างเดียวนะเราต้องระมัดระวังหลายคนได้ยินหลวงพ่อสอนเรื่องดูจิตดูจิตเรืงว่าดูจิตเป็นวิปัสสนานะมันเป็นได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญานะต้องดูให้ถูก่แต่ละอันต่างกันนะ ดูให้เกิดศีลเนี่ยถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันนะกิเลสครอบงําจิตไม่ได้จิตไม่ผิดศีลละนะเรามีสติรู้ทันจิตนะจิตไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาหลงไปหลงมานะมีสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่มีสมาธิคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองเพราะเราสังเกตไหมจิตเราลืมตัวเองตลอดเวลาวเวลาไปดูเราก็ลืมตัวเองเวลาไปฟังก็ลืมตัวเองเวลาไปคิดเราก็ลืมตัวเองนะดูออกไหมตัวนี้อ้าวทุกคนช่วยกันคิดเข้าแล้วดูซิลืมตัวเองจริงไหม วันนี้วันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เห็นไหมถูกหลอกนิดเดียวก็คิดแล้วเห็นแค่ได้ยินว่าวันนี้วันอะไรเวลาที่เราไปคิดสังเกตไหมเราจะลืบตัวเราเองใจมันฟุ้งละแล้วเรารู้ทันนะใจไหลไปรู้ใจไหลไปรู้ใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นมาเดินปัญญาการเดินปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเรา สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่เคยบอกแล้วนะั่นนะสิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นตัวเราจะแยกออกไปละเอียดอยก็เป็นขัน5นะ้าบางทีก็แยกออกเป็นอายตนะ6บางทีก็แยกเป็นธาตุสิบดบางทีแยกเป็นอินทรีย์สบนะแล้วแต่จะแยกนะรวมความแล้วอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองอันนะรูปธรรมกับ น, นามธรรมา แยกแล้วจะได้อะไรถ้าแยกแล้วเราจะเห็นว่าแต่และตัวไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้ามันมารวมกันอยู่เมื่อไหร่นะมันสําคัญมั่นหมายผิดๆได้ง่ายว่าเป็นตัวเรานะงั้นเวลาที่เราจะดูจิต ด, ดูใจแล้วเราจะหัดแยกไปเรื่อยๆนะขั้นแรกเลยนะเราอาจจะทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก็ได้จะเดินโจงกลมก็ได้นะทํำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยๆรู้สึกไปอย่างเราสมมติเรานั่งหายใจอยู่นะ นั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกหรือนั่งดูท้องฟองยุบอยู่นั่งทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนนะอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้มีความต่างนะไม่ใช่สำนักไหนดีกว่าสำนักไหนหรอกถ้าทําถูกก็ใช้ได้ทั้งหมดทั้หเหมือนเหมือนกันถ้าทําผิดก็คือไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกนะเมื่อเราเคยชินอย่างไหนนะเราเคยฝึกมาใหญ่เราฝึกต่อไม่ต้องล้มของเก่านะเคยพุโทพโธก็พุโทโธไปพุทโธเป็นความคิดพุดโทโธเราก็รู้ทันว่าจิตมันหนีไปคิด พุทโธพุทโธนะสมมติเราหัดพุทโธอยู่พุทโธพุทโธจิตไหลพิชิตเรารู้ละเราจะเห็นเลยว่าจิตนี้บังคับไม่ได้นะนี่การที่เราจะเห็นความจริงการที่เจริญปัญญานะต้องเห็นรูปเห็นนามเห็นขันห้านะมันแสดงไตรลักษณ์ถ้ามันแสดงไตรลักษณ์ได้นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาถ้าลำพังเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจแต่เห็นอย่างทื่อๆเห็นอย่างซึบซึ้ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสนาจําไหมนะวิปัสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ นั่อย่างบางคนดูท้องพองยุบบอกว่าทําวิปัสนาดูท้องฟองยุบเห็นแต่ท้องนะจิตไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่ที่ท้องไม่ใช่วิปัสนานะถ้าจะเป็นวิปัสนาเนี่ยค่อยสังเกตไปรูปที่พองรูปที่ยุบนะรูปที่พองก็อนนึงรูปที่ยุบก้อนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูนี่ก้อนหนึ่งนะหรือคนไหนหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูคนไหนไปขยับไม้ขยับมืออย่างสายหลวงพระเทียนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูนะ ว่าคนไหนไปเดินจงกรมร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นทุกก้าวที่เราเดินนะเราค่อยเห็นไปร่างกายมันเดินนะใจเราเป็นแค่คนรู้คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะต่อไปมันจะเริ่มแยกออกไปมันจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งคนละอันกันนะนี่แยกได้สองันละส่วนง่ายๆเลยพวกเรานั่งไปอย่างนี้นั่งไปแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวอย่าไปนั่งให้เคล้ม หลายคนชอบนั่งพอนั่งก็น้อมใจให้เคล้มอย่างนั้นเป็นฝึกให้มีโมหะไม่ใช่ฝึกให้เกิดปัญญานะถ้าอยากให้ฝึกให้เกิดปัญญานะพอจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสมาธิไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วนะนั่งสมาธินั่งอยู่อย่างนี้แหละนะแล้วก็ดูไปร่างกายที่นั่งอยู่นี่นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยจิตมันรู้ ร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายที่พองที่ยุบนี่ก็สิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยฝึกอย่างนี้เราจะเห็นว่าร่างกายเป็นของที่จิตไปรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะพอจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ร่างกายที่พองยุบอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวที่หยุดนิ่งอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ใช่ตััวเเเราห็นนททีลย นะจะเห็นทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้จิตมันเป็นแค่คนดูนะเพราะงั้นค่อยๆฝึกไปนะฝึกแยกไปแยกกายแยกใจก่อนทีแรกง่ายที่สุดแล้วถัดจากนั้นนะค่อยๆฝึกต่อไปอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูพอนั่งไปนานๆมันเมื่อยใครเมื่อยบ้างตอนนี้ลองดูสิร่างกายยังไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมความเมื่อยเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในร่างกาย ความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละสิ่งกันเป็นคนละขันกันนะค่อยๆดูไปนะเราจะเห็นร่างกายมันก็ยังอยู่นิ่งๆนะร่างกายยังไม่ได้ขยับเลยนั่งมาตั้งแต่แรกยังไม่ได้เปลี่ยนอิรยาบถเลยที่แรกไม่เมื่อยใช่ไหมอยู่ๆไปนั่งไปนั่งไปความเมื่อยแทรกเข้ามานี่ความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันความเมื่อยที่แทรกเข้ามานี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอีกความเมื่อยกับจิตก็เป็นคนละอันกันนะก็จะเริ่มเห็นแล้ว นะหัดทีแรกก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะคนละอันกันนั่งดูมันไปดูไปดูไปพอมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาดูลงไปอีกความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาที่หลังนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นี่เราแยกได้สามขันแล้วนะแยกรูปประขันนะคือตัวกายนี้แยกเวทนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยแยกจิตวิญญาณขันนะนี่แยกได้สามขันนะนั่งไปนั่งไปนะมันปวดมากขึ้นมากขึ้นใจจะกระสับกระส่ายนะ ใจจะกระสับกระสายตอนนี้มีใครนั่งจนเมื่อยกระสับกระสายบ้างมีไหมเนี่ยเริ่มมีแล้วใช่ไหมยิ่งถ้านั่งที่ท่าที่ทรมานมากๆนะจะกระสับกระสายเร็วเราค่อยดูไปอีกความกระสับกระสายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกนะคล้ายๆความเมื่อยเหมือนกันนะแต่ความเมื่อยมันแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายนะความกระสับกระสายมันแปลกปลอมเข้ามาในใจนะความกระสับกระสาย Hahah เป็นอีกขันหนึ่งนะเป็นอีกสภาพหนึ่งเป็นอีกสภาวะหนึ่งนะมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่กาย แล้วก็มันไม่ใช่ความเมื่อยด้วยนี่ค่อยดูไปนะในท่สุดเราจะแยกขันออกมาได้แย่ๆเลยกายอยู่ส่วนหนึ่งนะรูปอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยนี่อันหนึ่งนะความปรุงเช่นใจที่กระสับกระส่ายนะใจที่สงบใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ดีใจที่ร้ายใจที่อิจฉาใจที่โกรธใจที่โลภเนี่ยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะแล้วก็จิตที่เป็นคนรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่ง ค่อยค่อยฝึกนะค่อยฝึกแยกไปพอเราแยกรูปแยกนามออกไปเรื่อยเรแล้วต่อไปเราจะเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเอามาตั้งไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนอิบทบาไปแล้วเป็นวัตถุที่ไม่คงที่มีาธาตุไหลเข้ามีาธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้ากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะนี่มีาธาตุหมุนไปเรื่อยเลยเป็นวัตถุเท่านั้นเองเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นแค่ก้อนาธาตุเป็นแค่วัตถุ นี่ภาวนาไปนะเนี่ในสุดเห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเอง <c oughs> นะเป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะถึงชุดหนึ่งธาตุมันจะแตกถ้าเห็นธาตุมันจะแตกแล้วจะตายและนะโดยสมมุติเรียกว่ามันจะตายในความเป็นจริงคือธาตุมันจะแตกแล้วนะจะเปลี่ยนสภาพไปมันจะไม่เป็นโครงรูปอยู่เป็นมนุษย์อย่างนี้ลนะธาตุมันแตกเราไม่ได้เดือดร้อนนะ ธาตุมันแตกไม่ใช่เราแตกนีเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานี่ค่อยฝึกนะจนปัญญามันเกิดเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปในจิตใจเราก็เหมือนกันเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปความโรคความโกรธความหลงผ่านมาแล้วก็ไปทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปต่อไปความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยพลัดพรากจากคนที่รักจะเสียใจไหมไม่เสียใจเราก็เห็นเลยว่าใจมันไม่สมหวังใจมีความหวังใจไม่สมหวัง เป็นเรื่องธรรมดานะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นตลอดนะนี่ฝึกไปเรื่อยนะในที่สุดเราจะเห็นในทั้งกายทั้งใจมีแต่ของไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจนี่นะถูกบีบคั้นทนอยู่ในภาวะอันใดอัหนึ่งไม่ได้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรอกอย่างจิตใจของเราเราคิดว่าคือตัวเราตัวเราถามหน่อยสั่งได้ไหมเอาทุกคนสั่งเลยจงบรรลุพระอรหรันต ก, การระบาดนี้เทินตะเลงติ่งตุมเอา สั่งเข้าสั่งไม่ได้เห็นไหมอย่าว่าแต่จะบรรลุพระอรหันต์เลยแค่สั่งให้สงบยังไม่ได้เลยะสั่งให้ดีถาวรไม่ได้นะเอาทุกคนสั่งให้มีความสุขได้ไหมตอนนี้ไม่ต้องสั่งหรอกส่วนใหญ่ในห้องนี้กําลังมีความสุขอยู่รู้สึกไหมกําลังมีความสุขรู้สึกไหมกําลังเผลอเพลินเห็นไหมมีความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่เพลินในความสุคนั่นกิเลสนะเขาเรียกนันที่ราคะนะ เนี่ยเราค่อยๆหัดสังเกตไปนะใจเรามีความสุขขึ้นมาฟังหลวงพ่อประมุตเทศโอ้มีความสุขอะไรฟังไม่รู้เรื่องอแต่มีความสุขนะมีความสุขขึ้นมารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยความเผลอเพลินมันจะเกิดขึ้นฟังแล้วเพลินมีความสุขไปด้วยนะนี้เราค่อยรู้ทันตัวเองไปนะเนี่ยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจรู้จนวันหนึ่งก็เห็นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเรา จิตซึ่งเป็นคนรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่เรานะจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดที่ตาบ้างเกิดที่หูบ้างเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนะจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างจิตดีบ้างจิตชั่วบ้างจิตโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างฟุ้งซ่านบ้างหดหู่บ้างจิตแต่ละชนิดเกิดระดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยนะวันใดที่ปัญญามันแก่รอบมันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเนี่ขันแต่ละขันนะที่เราแยกออกไปเราพยายามแยกออกไปดูค่อยๆฝึกแยกดูไปด้วยเนี่ย แต่ละอันแต่ละอันไม่มีตัวเราหรอกผู้ใดที่เห็นความจริงว่าไม่มีตัวเราผู้นั้นจะเป็นพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนได้เพราะนั้นเป็นพระโสดาบันนะต้องมีศีล น, นะ้มีศีลแล้วก็เข้าใจความจริงความจริงในระดับที่ว่าตัวตนถาวรไม่มีหรอกสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะมีความรักความเคารพแน่นแฟ้นในพระรรัตนตรยัย ไม่มีความคลอนแคลนอีกแล้วพวกเราพร้อมที่จะคลอนแคลนกับพระรัตนตรัยเสมออย่างสมัยเมื่อ 2-3 ปีก่อนใช่ไหมเราหันไปนับถือเทวดานึกออกไหมนับถือเทวดานับถือจตุคามรามเทพตออะไรตอนนี้จตุคามก็เงียบๆไปแล้วหันไปนับถือพระราหูอีกแล้วเห็นไหมนับถือพระคเนศนับถือน้นนับถือนี้หมดนะเจอหมาเจอแมวแปลกๆเราก็นับถือได้นะ จริงจกสองหางก็นับถือได้เห็นไหมวัวสามขาควายมีเขาเดียวอะไรเงี้ยโอ้นับถือได้หมดอะอะไรก็ได้ขอให้เฮงก็แล้วกันสรุปเรานับถืออะไรเรานับถือผลประโยชน์นะงั้นเราพร้อมจะทิงพระรัตนตรัยนะคนที่ถึงพระรัตนตรัยนะเอาผลประโยชน์มาล่อ ย, อยังไงจะใจจะไม่ลืมพระรัตนตรยัยจะไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเลยนะ มีแต่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วจะเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อในการกระทําของเราเองนะถ้าเรายัางเชื่อความเฮงความซวยอะไรอย่างนั้นอยู่ไม่มีทางเป็นพระโสดา บ, บันหรอกพรนะโสดา บ, บันท่านไม่ได้เชื่ออย่างนั้นท่านเชื่อในกรรมเชื่อผลของกรรมนะแล้าท่านภาวนาดูอย่างนี้ยเราหัดดูจิตดูใจทุกวันเราจะเห็นเลยจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นะก็เป็นผลของกรรมนะอย่างถ้าจิตเราเป็นกุศลขึ้นมาจิตทุกก็มีความสุขขึ้นมา จิตเราเป็นอกุศลขึ้นมาจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมานะนี่เป็นผลของการกระทํากรรมนั่นเองทำความดีไปด้วยจิตก็มีความสุขทํากรรมชั่วไปด้วยจิตก็เป็นทุกข์ขึ้นมาไมนะ่ค่อยดูลงไปนะทุกอย่างเป็นผลของกรรมทั้งสิ้นเลยไม่มีนะโชคลาภเฮงเฮงอะไรเงี้ยไม่มีหรอกนะบางทีก็ทําเหรียญวัตถุมงคลนะนี่รุ่นเฮงตลอดปีตลอดชาติชาตินี้และชาติหน้าอะไรเงี้ยนะเฮงได้ไง ไม่มีหรอกนะแล้วเราต้องมีเหตุมีผลนะชาวพุทธต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลนะทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะถ้าเหตุดับผลมันก็ดับไปนะเพราะั้นเราค่อยๆฝึกนะท่านแรกเลยฝึกรู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆในขณะเดียวกันไม่ไปเพ่งให้ใจเครียดเครียดรู้สึกตัวไปอย่างสบายๆ พอรู้สึกตัวไปแล้วก็ค่อยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะคนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูจิตเป็นหลักไว้คนไหนดูจิตไม่เป็นเห็นร่างกายมันทํางานไปก็ดูมันไปร่างกายมันที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะจิตใจมันจะค่อยพัฒนานะศีล ส, สมาธิปัญญามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็สมบูรณ์ขึ้นมานะก็ได้เป็นพระอริยะขึ้นมา แล้อย่านึกนะว่าการเป็นพระอริยะนั้นะพ้นมิสที่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทําได้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยสอนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่สอนซูเปอร์แมนที่ไหนละะงั้นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละก็ล้างความเห็นผิดได้นะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ต, วตัวตนถาวรไนดะ้ก็เป็นพระโสดาบันลวนะวันนี้เอาแค่พระโสดก็พอนะโสดาบันพอลนะมากกว่านั้นเดี๋ยวเรียนแล้วจําไม่ไหวสรุปเอาไงดีสรุปรู้สึกตัวไว้ก่อนนะ แต่ก่อนจะรู้สึกตัวนะฝากไว้ก่อนนะชาวพูดธอย่าลืมศีลห้านะคนที่ไม่มีศีลจิตจะไม่สงบหรอกศีลนะจะช่วยให้จิตสงบง่ายอย่างเราคิดจะไปมีชู้เนี่ยจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะขโมยเขาจิตไม่สงบหรอกเราคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะทำํำร้ายเขาจิตไม่สงบหรอกเราพูดเพ้อเจ้อจิตไม่สงบหรอกนะพูดส่อสเสียดเนี่ยจิตยิ่งมีโทสะแรงขึ้นอีกนะจิตไม่สงบหรอกงั้นศีลเนี่ยนะรักษาไว้ก่อน มันจะช่วยให้เราสงบง่ายนะเบื้องต้นเราก็จงใจรักษาไปก่อนต่อไปสติเราเร็วนะพอกิเลสเกิดปั๊บเราเห็นเลยคราวนี้ไม่ต้องจงใจรักษาและวสีนั้นอัตโนมัตินะนะเบื้องต้นต้องจงใจไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีลไว้เพื่อใจเราสงบง่ายถ้าจากนั้นเรามาฝึกให้ใจสงบให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวคําว่าจิตใจสงบหมายถึงจิตใจไม่ลืมตัวเองอะจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวถ้าจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดที่ลืมเนื้อลืมตัวอย่างคุณผู้ใช้เนี่ยเห็นไหมจิตลืมตัวเองไปแล ใจไหลๆๆๆไหลวิลิตเรื่อยๆไ ป, ไปนะนั้นเราพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆเรียกว่าจิตตั้งมัน่นจิตมีสมาธินะเพรอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญาเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเห็นเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วก็ทําหน้าที่ของสังขารจิตก็ทําหน้าที่รู้ ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองขันแต่ละขันทำหน้าที่ของมันเองไม่มีตัวเราเนี่คือการเดินปัญญานะแม้เราทำให้ได้นะตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นตั้งใจรักษาศีลไว้ต่อไปก็ฝึกรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆสมาธิก็จะเกิดนะศีลที่จะเกิดอัตโนมัติก็จะเริ่มมีสมาธิอัตโนมัติก็จะเริ่มมีการเดินปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้นะถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่ามาพูดเรื่องเดินปัญญา าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่เราเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเราลืมตัวเองลืมกายลืมใจแล้วไม่มีวันเห็นความจริงของกายของใจนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนเรารู้สึกตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานเห็นเลยแต่ละอันแต่ละอันไม่มีเรานั่นแหละคือการเดินปัญญาเพราะฉะั้นอย่างเราไปตั้งดูท้องฟองยุบนะเห็นแต่ท้องมันนิ่งๆอยู่งั้นนะจิตสงบอย่งั้นไม่ใช่วิปัสนาณนะสมถะ หายใจไปเรื่อยๆจิตสงบอยู่กับลมหายใจนั่นก็สมถะนะแต่ถ้าหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอยู่ เ, เห็นร่างกายพองร่างกายยุบจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายที่หายใจเห็นร่างกายที่พองยุบไม่ใช่เราหรอกนะเป็นวัตถุที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั่นแหละเดินปัญญา น, นั่นเราค่อฝึกนะไม่ยากเกินไปหรอกมนุษย์ธรรมดานี่แหละทาได้นะหลวงพ่อฝึกก็ามาตั้งแต่เป็นฆราวาสอย่างพวกเรานี่แหละเมื่อก่อนอยูส่สภาความมั่นคงนะชื่อก็น่ากลัวแล้ว ฝั่งเราลึกลับที่สุดเลยนะอยู่สภากรมขงและ ง, งานเครียดมากเลยวนะันๆ น, นะต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่ออะไรเยอะเลยข้อมูลบางอย่างวิเคราะห์แล้วก็พูดไม่ออกนะเช่นรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยมกักจะถูกลุมทึ้งนะรู้ก็พูดไม่ออกน嘛ลาบากาจะเจ๊งมีเจ๊งแหลก็พรเรื่องพวกนี้นะ <laughs> <laughs> เหมือยกันหมดเลยทุกแห่งนะ เนื่อ ง, งานลำบากนะงานวุ่นวายแต่และ ว, วันแต่หลวงพ่อใช้วิธีดูใจตัวเองไปเรื่อยนะเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดสุขขึ้นมารู้ว่าสุกนะดีขึ้นมารู้ว่าดีโลภโกรธลงขึ้นมาตามรู้มันเรื่อยๆนะตัวอยู่ไม่นานนะไม่กี่เดือนหรอกรู้ไปเรื่อยนะแล้วเข้าใจความจริงเลยใจเราก็เปลี่ยนไปนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นฝึกไปนะแล้วสุดท้ายจะมีความสุขนะเห็นกายเห็นใจไปเรื่อยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย เห็นทุกข์มากๆเข้านะใจกับมีความสุขเพ้าใจมันปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพอนะมันไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่ทุกข์ละนะมันทุกข์เพราะยึดถืออยู่อ่ะเทศมาสี่สิบห้านาทีพอสมควรวันนี้จะได้ถามกี่คนเนาะสิบห้าท่านครับเชิญเบอร์หนึ่งด้านหน้าครับด้านด้านนู้นเลยครับการทมัดกการหลวงพ่อการใครจิตฟุ้งซ่านบ้าง รสึกไหมเมื่อกี้ลืมตัวเองไปแล้ว mm hmm. นะเวลาใจสมมติบางคนก็วิ่งมาอยู่ที่คนที่จะถามบางคนหนีออกไปนอกห้องนึกออกไหมลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองนะไม่นั้นจิตไม่ตั้งมั่นลนะขาดสติด้วยขาดสมาธิด้วยนะงั้นคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะความรู้สึกตัวนี่นะสำคัญที่สุดเลยเป็นต้นทางของการปฏิบัติเลยนะคุณงามความดีทั้งหลายนะีเกิดไม่ได้เลยถ้าเราลืมตัวเราเองนะอ้าวเชิญเบอร์นหนึ่งกลางนมัศการค่ะ กัเพียงถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ที่ว่ารู้กายตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้กายเนี่ยจริงๆรู้รู้จริงๆหรือว่าคิดไปเองคะรู้อยู่นะแต่ตอนเนี้เพ่งรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันทื่ๆเพ่งไปที่หลวงพ่อรู้สึกไหใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงตัวจริงเราใจซนกว่านี้รู้สึกไหมค่ะตอนนี้หนักหนักหนักหนักเห็นไหมเพราะเราเพ่งเอาไว้นะถ้ายังเพ่งอยู่ยังบังคับอยู่เนี่ยไม่ใช่การรู้หรอก สิ่งที่เป็นศัตรูกับรู้มีสองอันนะอันที่หนึ่งลืมตัวเองไปอย่างขนาดเนี้ยลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมออันที่สองคือไปเพ่งน้อยถ้าไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้มันก็รู้สึกตัวขึ้นมานแต่ไปฝึกต่อนะพอใช้ได้แล้วดูออกไหมจิตโมมัฆ อ, อจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะอ้าเปิด์สองเดี๋ยวยังงงอยู่งงอะ่ะรู้ไหมเออ รู้ว่างงนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเราถูกกิเลสหลอกลรเราหรือไม่พองงเรายิ่งคิดใหญ่นึกออกไหมยิ่งคิดก็ยิ่งลืมกายลืมใจจํายัยอย่างนะพวกเรานะทุกคนนะกว่าหลวงพ่อจะรู้ตัวนี้แทบตายภาวนากิเลสทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่อย่างเดียวกันหมดเลยทําให้เราลืมตัวเราเองนะให้กิเลสทั้งหมดเลยจะหลอกให้เราลืมตัวเองความโกรธเกิดขึ้นสังเกตไหมขนาดที่เราโกรธเนี่ยเราจะคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเราจะลืมตัวเองลืมรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ เวลาความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักหรือคิดถึงของที่เราอยากได้นะอยากได้มือถืออันใหม่แล้วเนี่ยใจวิ่งไปอยู่ที่ห้างอยากได้นะเนี่ยเราลืมตัวเราเองขณะนั้นความฟุง้งซ่านเกิดใช่ไหมก็ลืมตัวเราเองคิดเรื่องน้อนคิดเรื่องนี้ไปความหนหูเกิ ด, ดก็เซ็งซึมผู้หญิงเป็นเยอะกว่าผู้ชายเท่าที่เห็นนะชอบสวมวิญ ญ, ญาณ น, นางเอกทำใจเศร้าๆแม้แสบๆอยู่ข้างในนะชอบนะฮะะฝึกตกนรกนะ เพราะฉะนั้นเรามันจะทําให้เราแหมเคลิเมือ่อไหลพระเอกจะมาปลอบนะไม่มีหรอกพระเอกนะนั่นฝันเราเองะเนี่ยรู้ทันลงไปนะกิเลส ท, ทุกตัวเลยมันจะลากให้เราลืมตัวเราเองนะงั้นเรามันศัตรูของการปฏิบัติเลยงเราคอยรู้ทันอย่าเชื่อมันความสงสัยเกิดขึ้นทํำยังไงดีเออรู้ว่าสงสัยแต่อย่าคิดไม่เลิกเลยคิดอย่างนี้ย น, นะนะนะรู้สึกเรื่อยๆนะอ่ะคนตามมา กับนวัตการมหลวงพ่อวันนี้รู้เลยว่าอยู่เรือบินแน่สีม่วงไม่เริ่มฝึกปฏิบัติค่ะอยากกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาทั้งหมดที่ฝึกมาเนี่ยถูกต้องบ้างไหมคะถูกนะดีกว่าไม่ปฏิบัติอ้าวอย่างสมมุติเราไม่เคยมีศีลเรามีศีลก็ดีใช่ไหมเราเคยฟุ้งตลาดเลยเราสงบขึ้นมาก็ดีอะ่ะเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยหลงทั้งวันไม่เคยเห็นกายเห็นใจเราเห็นกายเห็นใจขึ้นมาก็ดีอะ่ะ นะของโยมผู้ดีแล้วเนี่ยก็ค่อยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกบ่อยๆต้อรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวจิตขนาะนี้ตั้งมั่นไหมคิตว่าตั้งมั่นไหมขณะนี้พูดใส่ไหม่สิหลวงพ่อไม่ได้ยินไม่เคยตั้งมันม่นเท่าไหร่นะมันกระจายรู้สึกไหมจิตเรากระจายกว้างๆออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความสุขรู้สึกไหมเราไปหลงอยู่ในความว่างๆอันนี้และ เวลาเราภาวนานะเวลาเราดูจิตดูใจหรือเราภาวนาบางทีใจมันว่างขึ้นมานะสว่างว่างนั้นไปหยุดในความว่างข้างนอกเนี่ยมันไม่ย้อนกลับมาที่ตัวเองขณะนี้ดูออกไหมมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจนะตัวนี้ต้องระวังละถ้ามันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจมันจะไม่เดินปัญญาต่อมันจะติดในความสุขที่เกิดจากสมาธิอันนี้เองนะังั้นพยายามกลับมารู้สึกร่างกายบ่อยๆนะเราเคลื่อนไหวไปมาพอรู้สึกเรื่อยๆนะจะได้ดีขึ้นไปอีก อ่ะคนนี้สะดุ้งเลยกาลรัมสการะอาจาร์ครับขอโอกาสรายงานการปฏิบัติครับทุกวันก็จะฟังซีดีหลวงพ่อครับแล้วก็จะได้ดนะรู้ลนะงเบอร์สองอย่าไปกดจิตให้นิ่งนะจิตมันเครียดแล้วรู้สึกไห้อย่าไป บ, าบังคับถ้าเรารู้ว่าจิตกระจายออกนอกนะแค่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางอย่าพยายามดึงถ้าดึงนะจะแน่นอย่างนี้แหละ อ, อืดาดแค่รู้ว่ามันออกนอกบางทีมันก็กลับเข้ามาละ หรือถ้ามันไม่กลับมานะมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกเนี่อมารู้กายไว้นะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเหลียวซ้ายแลกวาอะไรเงี้ยนะดูกายไว้ก่อนพอมันเข้ามาที่กายแล้วพอมันมีกําลังนะมันจะเข้ามาที่จิตอีกทริงนะอย่าจงใจดึงเข้ามาที่จิตนะถ้าดึงเข้ามาจะแน่นอย่างตอนเนี้อ่ะเบอร์สามครับก็จะได้ฟังซีดีแล้วก็จะได้ฝึกว่าหลงก็จะรู้เพราะหลวงพ่อจะคอยพูดเรื่อยๆครับแต่ว่าพออยู่กันเดียว อยู่กับตัวเองเนี่ยครับก็จะหลงไปเรื่อยแล้วก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกตัวเท่าไหร่ต้องหอให้จิตมันมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมนะครับคนไหนที่หลงยาวหลงนานเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งบางคนอยู่กับพุทโธบางคนอยู่กับลมหายใจบางคนอยู่กับท้องฟองยุบบางคนอยู่กับอิริยาบถสีอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วพอจิตมันลืมอารมณ์อันนั้นลืมวิหารธรรมเครื่องอยู่อันนั้นเลยเราก็รู้ทันว่ามันหลงไปละมันจะทําให้ไม่หลงนาน อย่างหลวงพ่อแต่ก่อนหัดหายใจไปพุโทโธไปนะหายใจเข้าพุทออกโธอะไร เ, เนี่ยฝึกมาจากท่านพ่อหลีวัดอโศครามนี่นะแหละเราก็หายใจไปนะพอใจมันลืมตัวเองไปใจมันนีไปคิดเนะี่ยฟุ้งไปละรู้ทันว่าใจหนีไปและแต่ตอนที่นั่งสมาธิแล้วก็เดินจกมกลมจะรู้ตัวครับแต่พอปล่อยมาก็เหมือนเดิมออกมาอยู่ข้างนอกนะเราพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้นะยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยพุโทโธพุโทโธไปนะแต่เวลาลูกค้าคุยกับเราต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องนะ ไม่ใช่เขาถามเกตนี้ไปทางไหนพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกนะพยายามรู้สึกตัวได้แนะ่หาเครื่องอยู่ให้จิตนะบริกรรมไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ไดนะ้เห็นร่างกายเคลื่อนไปไว้ก็ได้แล้วพอจิตมันลืมกายนะมันก็จะเรียกว่าหลงไปแล้วต่ไอไปมันจะรู้รได้เร็วขึ้นยังพอไหวใช่ไหมครับไหวสิต้องไหวนะมันเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บ้าน จะหนีหรือไม่หนีดีจะหนีไหวไหมเนาะอะไรเงี้ยนั่นโง่ที่สุดแล้วนะเพราะงั้นต้องไหวนะคําว่าไม่ไหวเนี่ยใหญ่ให้มาอยู่ในสาระบบชาวพุทธต้องสู้นะไม่มีใครเขาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่าไปบังคับจิตไว้สืบไหมไปดันมันตัวปลอมครับตอนนี้นะตัวปลอมนะดันแต่ชาวการบินไทยก็เก่งนะสามคนใช้ได้ละคนนั้นมีโมหะเยอะนิดหนึ่งนะคนแรกอะ่ะจะดูกดิกใหเยอะไว้ อย่านั่งสมาธิซึมๆนะต้องระวังมากๆเลยอย่านั่งสมาธิแบบซึมๆน ะ, ๆนะเคลื่อนไหวไหมไปทางานทําไหมแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานได้ด้วยจิตมันจะตื่นมากกว่านี้นะอ้าวกราบนา้ัสการหลวงพ่อค่ะจะถามหลวงพ่อขอคําแนะนําค่ะว่ า, าจริตเนี้ยเหมาะสมกับการอะไรที่เหมาะสมกับการเาจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาค่ะด้วยเอาเองสินะหลวงพ่อสอนหลักให้แล้วง่ายอย่ตาย สมถะเราดูไปจริตในการทําสมถะมีหกอันน ะ, ะมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตพุทธิจริตสัทธาจริตมี6กอันเอาง่ายๆก็ได้ราคะโทสะบูหะตัวไหนของเราเด่นล่ะคือหนูนิสัยไม่ดีเยอะคะค่ะก็จะเด่นหมดเลยอะค่ะเด่นหมดเลยเหรอโอเด่นหมดเลยนะหายใจไว้อันนี้ทําไปเรื่อยนะพราใจก็สงบขึ้นมานะตัวลมหายใจเป็นกรรมฐานกลางกลงนะ หายใจไปใจก็สงบขึ้นมาถ้าหายใจแล้วไม่สงบนะส่วนมนอะไรสักบทหนึ่งสั้นๆก็ได้นะนโมทำโ ม, ำโมสังโฆ อ, อะไรก็ได้นะพอใจมันลืมไปเราก็ค่อยรู้ทันเอาและนี่สมปทานะนแล้วอารมณ์จริตของวิปัสสนามีสองอันจริตที่จะใช้ทำสมถามีหกอันอจริตที่จะดูว่าจะใช้อารมณ์อะไรในการทำวิปัสสนามีสองจริตนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริต รักสวยรักงามรักสุรักสบายมากไหมหรือคิดมากเป็นทั้งสองทั้งสองอย่างนี่คนนี้บอกมีหมดเลยงันไปดูจิตไว้จริงๆคิดมากนะไปดูจิตไปก่อนนะเหตุจิตเคลื่นไหวเปลี่ยนแปลงคอยตามรู้ตามดูบ่อยๆนะแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็คอยรู้สึกกายไปด้วยนะจริงๆเป็นส่วนผสมนั่นแหละถูกต้องแล้วดีที่รู้ทันตัวเองนะโยมผู้ชายหลวงพ่อสังเกตนะ ชาวการบินไทยนี่แต่สุ่มตัวอย่างห้าคนเนี่ยนะผู้ชายจะ ก, กลัวมากกว่าผู้หญิง mm hmm. ออแปลกนะตื่นเต้ น, นทำไมตื่นเต้นกับนารหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ก็ฝึกปฏิบัติอยู่แต่ยังรู้สึกว่าไม่ใจไ ม, ไม่สงบนะตอนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อหรือขอคำแนะนำจากหลวงพอ่อคือเราทำงานที่ต้องคิดทั้งวันนะ mm hmm. งานเรามันมีเรื่องวุ่นวายเยอะเนี่ย เราจะบัคับฝึกฝนให้จิตสงบนานๆ น, า น, นี่ยมันยากนะงั้นเราเก็บเลขผสมน้อยไปเรื่อยยมคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆไว้นะใจมันหงุดหงิดขึ้นมาคอยรู้หงุดหงิดขึ้นมาค่อยรู้หงุดหงิดบ่อยไหมไม่บ่อยครับเ แ, แล้วตัวไหนบ่อยอ่ะนิ่งๆครับปกติจะจะเป็นคนอย่งยงงางนั้นอยู่ครับนิ่งเหมือนตอนนี้ไหม ปกติจิตใจเหมือนขณะนี้ไหมครับแต่จิตมันก็จะมีไหลบ้างนะพ่อวอนึกออกก็พยายามจะตามดูอยู่เนี่ยโยมอย่าไปเกาะให้นิ่งอยู่เหมือนตอนนี้นะถ้าก่อนนิ่งอยู่ตัวเนี้ยมันกลายเป็นทำสมถะไว้จิตจะไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูหรอกล้วก็ยสึกไม่โกรธเลยแต่ถ้าโยมไม่เพ่งเมนะืยมย่อไหร่นะโยมอีกขี้โมโหนะไอ้ที่เราเพ่งไว้มันทําให้จิตมันไม่ทํางานกิเลสมันไม่กล้าทํางานขึ้นมานะเราค่อยๆรู้สึกตัวไปนะ ไปดูไปเรื่อยๆปล่อยให้จิตมันทํางานอย่างอิสระจริง ๆ, ๆอย่าไปบังคับให้มันนิ่งๆของโยมรู้สึกไหมขนาดนี้อ้าวแรงขึ้นมครัเมื่อกี้บังคับน้อยลงนะใจมันจะเบาขึ้นถ้าเราบังคับอยู่เนี่ยใจมันจะหนักๆนะแล้วเราก็อย่าไปบังคับจิตนะจิตจะลําบากซ ะ, ะเปล่าๆรู้สบายๆไปนะอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดไหลไปวูบหนึ่งดูออกไหมนะถ้าดูไม่ออกนะดูกายไว้ เห็นร no ่างกายยืนเดินนั่งนอนดูกายนี้ทํางานไปเรื่อยๆะโยมอาจจะดูกายได้สะดวกกว่าดูจิตเพราะว่าสมาธิเยอะใจมันนิ่งอย่าให้นิ่งเหมือนตอนนี้ตลอดวันนะกลัวหลวงพ่อนะไม่ใช่อะไรโอ้เลยไปเพ่งไม่ใช่เออหลุดมาอย่างนี้สินี่ปล่อยมันอย่างนี้นะแล้วมีสติตามดีอย่างนี้ใช้ได้ละนึกไหมนึกออกไหมไม่เหมือนกันนะมันไม่ใช่ เนี่ยอย่างเงี้ยมันเดินวิปั ส, สนาไม่ได้นะต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเลยแล้วมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะของโยมทำได้อยู่กลัวหลวงพ่อมากไปนะ่ะโต้กลัวอะไรอ้าวอุปมาอุปรค่ะหลวงพ่อคนนี้ไม่กลัวคนนี้แย่นะตื่นเต้นมากค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะปีที่แล้วส่งกับบ้านอาลีค่ะคือสมมติว่าพอเวลาว่างจากทางานอย่างสมมติหนูมานั่งเฉยๆแล้วมันก็ มันก็จะนึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทําอะไรหรืออยังไงมั น, บบนนะจงใจไปคุณผู้ชายนะัเมื่อกี้เผลอไปนะรู้สึกไหมพอเราจงใจจะปฏิบัตินะใจมันไหลให้รู้ทันตรงที่ใจไหลไปเนี้ยนะใจไม่ตั้งมั่นนะนะเดี๋ยวลองทําใหม่ซิทำทำอย่างตะ ก, กี้ใหม่คราวนี้มันไม่ไหลอ ย, อย่างตะ ก, กี้แต่มันสายไปใสามาใช่ไหมจิตมันใสไปใสามาเราก็รู้ทันนะ จิตไหลไปก็รู้ทันจิตเป็นยังไง ร, รู้ทันลูกเดียวเลยนะให้ฝึกไปด้วยเนี่ ย, ยมันเติมปัญญานะค่ะพอเวลามันว่างจากงานแล้วพอมันนั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาคอยนึกว่าดูกายอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการจงใจไปปะค่ะถ้าสังเกตง่ายๆถ้าจงใจเนใจจะทื่อๆแน่นๆถ้าไม่ได้จงใจนะรู้สึกขึ้นมาเองนะใจจะปโปร่งล่งเบานะเแต่ถ้าเอาละต่อไปนี้ได้เวลาดูกายแล้ว อย่างนี <Where i S 2> ้ไม่ได้นะแต่ถ้ามันเผลอๆอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวขึ้นมาหยิบแก้วกาแฟเนี่ยบางทีเคลื่อนไหวปั๊บรู้สึกละนจะรู้สึกขึ้นมาเองอย่างนี้ดีแล้วหนูมีความรู้สึกว่าทําไมหนูห่างๆจากโลกอะค่ะหรมันคิดตัวเองปะคะนะใจไม่เข้าไปคลุกกับโลกก็ดีแล้วโลกมันทุกข์นะเราฝึกไปได้เราก็ปลดโลกไปแล้วหนูรู้รู้ตัวตัวสติสตัวจริงเลยเนี่ย ก, ดก็ดีแล้วดินะค่อยฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วหนูต้องหาที่อยู่ให้จิตไหมะคะต้องหาต้องหาดูไกายเลื่อนกลเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆออคนนี้อันนี้อยู่การบินไทยหรอกหรอ หลวงพ่อคะเวลาที่เราเราเห็นว่าเราคิดนี่มันต่างกับที่จิตมันคิดไหมคะเราคิดนี่ยมันเจอด้วยความจงใจอยากคิดนะจิตนี้มันคิดของมันเองอย่างเวลาเราจิตมันคิดเนี่ยนั่งอยู่เฉยเฉยมันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มันคิดของมันเองนะเรามีหน้าที่แค่รู้ทันว่าจิตหลงไป่คิดแต่เวลาที่เรามีธุระจะต้องคิดจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอันนี้ต้องตั้งใจคิดคนละอย่างกันนะ หน้าที่เราเนี่ยถ้าเวลาจําเป็นต้องคิดเราก็คิดให้มันรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าพอคิดก็รู้คิดก็รู้เลยทําอะไรไม่ได้เลยคละเรื่องกันนะแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้มีธุระจะคิดจิตมันไหลไปคิดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้นะรู้ทันว่าจิตไหลไปนะจิตมันความคิดจะขาดไปเดี๋ยวมันคิดอีกก็รู้อีกก็ขาดอีกเพราะนั้นมันอยู่ที่จงใจไหมถ้าเราคิดเนี่ยจงใจคิดถ้าจิตมันคิดเองนะไม่ได้จงใจนะมันคิดได้เอง เคยเป็นไหมอยู่ๆว่หน้าคนหนึงโผล่ขึ้นมาในความรู้สึกของเรานะมีหน้าคนนี้โผล่ขึ้นมาเราก็คิดเลยอีกคนนี้มันร้ายอย่างว่านี้น่ะจิตมันหลงไปคิดเองไม่เป็นไรแต่พอเรารู้ทันว่าเอ้ยไปคิดถึงเขาแล้วโกรธขึ้นมาความโกรธไม่ดีนะนี่เราเริ่มคิดแล้วความโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธเขาเลยนะความโกรธทําให้จิตเสียหายนี่ยคิดเอาเองล่ะนีอย่าคิดเอาเอ ง, นะอยเอเองโยเว้นเวลาทํางานต้องคิดให้รู้เรื่องนะต้องไง มีอะไรแนะนำไหมคะห <c oughs> ลวงพอ่อทําไมกลัวหลวงพ่อกันนักหนาวะ <c oughs> แต่ละคนใจซี๊ดอะไรแล้ว <c oughs> ตื่นเต้นทําไมเจอกันมาตั้งหลายปีแล้ว <c oughs> ปล่อยให้กายให้ใจทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปนะที่ฝึกอยู่จะใช้ได้นะแต่ขณะนี้ยใจมันออกนอกรู้สึกไหมใจมันกระจายออกไปข้างนอกมันวิ่งมาหาหลวงพ่อ <c oughs> แล้วมันก็วิ่งไปสงสัย เห็นไหมมันวิ่งไปวิ่งมาคือออกนอกนี่ก็คือไม่ได้ก็คือลืมตัวเองลืมตัวเองบางทีออกนอกแล้วสบายใจโล่งว่างนะไปอยู่ข้างนอกแล้วสบายอยู่ยู่เท่เนี้โล่งๆสบายเฟื่อนอย่างนั้นไม่ดีก็ให้รู้ทันว่าใจไหลออกไปแล้วกลับมารู้สึกร่างกายไหมเดี๋ยวไม่ก็เข้ามาที่จิตทีหลังสงสัยอีกแล้วทราบไหมใช่ค่ะทาไมไม่รู้ว่าสงสัยค่ะคือ รู้สึกว่าจะรู้สึกกายไม่เป็นนะคะจะรู้สึกกายไม่เป็นก็ดูใจไปค่ะ<ฮ>นะเหมือนกันแหละดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ถ้าดูกายถูกต้องนะสติสมาธิปัญญาก็า เ, าเกิดดูจิตใจถูกต้องสติสมาธิปัญญาก็เกิดเหมือนกันนะปัญญาเกิดขึ้นมาก็คือเห็นว่าไม่มีตัวเรากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราลงไปคิดอีกแล้วทราบไหม<ฮ>รู้ตัวนี้บ่อยๆนะ<ฮ>ของคุณนะถ้าจะให้ดีนะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว จะพูดโทรหรืออะไรก็ได้นะหรือว่าหายใจไปแล้วรู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไปจิตนี้ไปแล้วรู้ทันนะไม่งั้นจะลอยลอยไปนานๆอย่าให้ไหลไปนานหลงนานไปค่ะคนนี้น้ำมัสการเจร้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตใจรู้สึกตื่นเต้นนะเจ้าค่ะอออืใครๆเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะ เหมือนกับต้องออทํำข้อส่งข้อสอบนะคะหรออย่าไปคิดอย่างนั้นสิเหมือนกันสอบนะคะหรออย่าคิดว่าสอบคิดว่าคุยกันเล่นเล่นเคยอยู่ปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อมาเมื่อปีเสร็ศษมาแล้ว น, นะเจ้าค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่า เ, เพ่งแล้วก็ประคองเอาไวะะ้เจ้าค่ะไม่ทราบ ว, ว่าตอนนี้กระโดดไหม ว่ามันเบาลงเบาลงเยอะเจ้าค่ะดีแล้วอย่าเพ่งไว้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ว่าทำครัวทำกับข้าวอ่ะค่ะแล้วโดนมีดบาดลงไปลึกมากเลยอืมมันไม่รู้สึกเจ็บนะคะรู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่กับตัวเราอ่ะ ม, มันหลุดไปแล้วเหรอ <laughs> มันไม่ใช่โหลดเค่ะแต่เมว่าพอมองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ได้อยู่กิดใช่ค่ะแล้วก็เลือดไหลเยอะมากเลยก็เลยจิตเราเป็นสมาธิขึ้นมาค่ะแล้วก็จัดการตรงนั้นแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็เรียบร้อยอะค่ะนะดีแล้วบางคนตกใจนะมีดบาดเลือดออกตกใจเป็นลมเลือดเลยออกหมดตัวเลยนะโยมต้องใช้วิหารธรรมตัวไหนเป็นเครื่องอยู่เจ้าค่ะโยมดูกายบ่อยบ่นะคะ รู้สึกกายไปคนที่ติดเพ่งมาก่อนนะพยายามดูกายให้มากไว้เจ้าค่ะนะไปดูจิตเดี๋ยวไปเพ่งจิตจินเพ่งง่ายเป็นจ้องนิดเดียวก็เพลงล่งแล้วรู้สึกร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกบ่อยๆเจ้าค่ะเนี่ยใจลอยอีกแล้วเห็นไหมไม่มีวิหารแล้วทำนะครับกราบท่ า, านอาจารย์ครับส่งกันบ้านรอบครึ่งปีครับอืจิตไม่เป็นกลางอรัวันวันไหนถ้าเกิดมีกุศลเข้ามีความสุขก็ อยให้ความสุขอยู่นานๆแล้วก็คิดว่าวันนั้นภาวนาดีจิตขนาดนี้รู้ตัวเต็มที่ไหมไม่ครับจาตไม่มีโมหะเออมีโมหะถับถูกนี่ครับตอนพยายามเดินไว้กระดูกระดิกไว้นะเคลื่องไหวบ่อยๆครับลูกเราสนไหมครับพอสมควรครับเราหนะ้าเลี้ยงลูกไปดูใจไปเีลยวก็โมโหแล้วก็ดูไปครับนะดูบ่อยๆครับรอบนี้มีอะไรบกพร่องหรือจะเพิ่มเติมอะไรไหมอย่าประคองไว้นะจิตมีโมหะ รู้ด้วยความเป็นกลางหลักของการปฏิบัตินะี่มันมีสองอันนะอันแรกเลยรู้สภาวะทั้งหลายที่มันกําลังปรากฏอยู่อันที่สองเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันดังั้นอย่างสภาวะคือความมัวมัวเกิดขึ้นจิตมัวนะเราไม่ชอบความยินร้ายเกิดแล้วรู้ทันที่ความยินร้ายไม่ใช่ดูที่มัวแล้วนะนะมัวเป็นอดีตแล้วปัจจุบันคือยินร้ายงั้นดูลงอารมณ์ปัจจุบันไปเลยในสุดเราจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นกลาง นะครับกับคุณคครับรรคุณผู้ราชการอ่าอาจารย์ประโมทที่ครบแรงสูงค่ะเมื่อกี้อาจารย์ตอบเรียบร้อยแล้วกำลังคําถามที่จะถามต่อไปน ะ, ค, ะคือจะถามว่าการปฏิบัติอย่างไรให้พ้นทุกข์ได้เร็รวที่สุดอืก็คืออันที่อาจารย์ตอบไปเมืรร่อสักครู่ใช่ไหมจ๊ะค่ะหรือว่าอาจารย์จักรุณานแนะนำอย่างไรจ๊ะค่ะไม่เรา้ ร, ร, รู้สึกตัวขึ้นมานะดูลงในกายดูลงในใจ ศัตรูที่ทําให้เรามีความทุกข์จิตใจไม่มีความสุขนะก็คือกิเลส ท, ทั้งหลายนี่เองกิเลสมีหลายระดับกิเลสอย่างหยามหยาบนี่สู้ด้วยศีลอยากจะฆ่าเขาอะไรเนี้ยตั้งใจรักษาศีลไม่ฆ่าเขากิเลสอย่างหยาบนี่สู้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางนะความฟุ้งซ่านของใจนะรู้ด้วยมีสติรู้ทันไปนะใจไหลไปแล้วตามความรู้ใจตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาที่ว่สู้กิเลสอย่างกลางๆนะ ถัดจากนั้นเราสู้กิเลสขั้นละเอียดกิเลสขั้นละเอีเเยดคือความไม่รู้ความโง่ของเราเองความไม่รู้ของเราเองนี่คือกิเลสชั้นละเอียดต้องสู้ด้วยการเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปเราจะรู้ความจริงของกายของใจได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางะงั้นเวลาหลวงพ่อสอนขั้นเจริญปัญญานะเขาจะสอนบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเอง ต้องเห็นไตรลักให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งม no ั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางใจไม่เห็นความจริงนะเมื่อักกี้ใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมไหลพอใจไหลวูบไปลืมกายลืมใจเห็นไหมไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้อย่าว่าแต่จะเห็นไตรักษของกายของใจเลยกายมีอยู่ยังหายไปเลยใจมีอยู่ยังหายไปเลยนั่นเราต้องไม่หลงไปนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแต่ไม่เพ่ง ถ้าเพ่งนะใจรักไม่สแสดงตัวทุกอย่างนิ่งไปหมดเลยกลายเป็นเที่ยงไปหมดแล้วจะรู้สึกกูเก่งกูเก่งแทนที่จะลดอัตรานะักลายเป็นเพิ่มอัตราอีกนะเมื่อเราไม่ผิดเพ่งไว้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมถ้านาการรู้กับการเห็นไม่ต่างกัน อ, อันเดียวกันนะโดยสํานวนเท่า น, นั้นเองนะสํานวนในปริยัตเรียกว่าการเห็นนะมีปรัสนาเนะี่ยคือการเห็น ของโยมทําได้ดีนะจิตมันตื่นนะรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตมันตื่นส่วนที่เหลือก็ดีนะแต่ว่ามันตื่นเต้นมันไม่ใช่ตื่นเฉยๆมันเจือด้วยคําว่าเต้นเอไปด้ว ย, วยแต่ตอนนี้เริ่มคลายออกแล้วดูออกไหมใจมันเริ่มผ่อนคลายนี่คิดมากเหมือนเดิมของโยมดีนะรู้สึกตัวไ ด, วดว้ชีมโมโหไหม ไม่ต้องพยายามให้รู้บ่อยๆนะคนขี้โมโหนะคนมีบุญนะเพราะโทสะเนี่ยเป็นกิเลส ท, ที่ดูง่ายที่สุดนะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะขอวิธีปฏิบัติจากพระอาจารย์เวลาที่เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมกัน อ, อย่างหนูเนี่ยเป็นพนัก ง, งานต้อนรับบนเครื่งองบินนะคะแล้ววันๆหนึ่งจะเจอ คนเป็นร้อยแล้วทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่มากระทบกระทบกระทบเราตลอดเวลาทีนี้เนี่ยบางทีถ้าอย่างแค่เคสสองเคสอย่างเงี้ยก็ค่อยๆพยายามดูกายดูจิตไปก็ก็ยังทานยังควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่บางครั้งเนี่ยมันหลายเคสมากเลยที่เข้ามาพร้อมกันแล้วบางทีเราเรามีความรู้สึกว่าเรารับอยู่คนเดียวอะไรอตรงนั้นค่ถ้าไม่ไหวแล้วนะหมายถึงว่าเจริญวิปัสสนาไม่ไหวแล้วเห็นจิตเห็นใจ กระทบเข้ามาจิตกระเพื่อมกระทบมาจิตเพื่อมนะลายสองลายไหวพอมากมากแล้วไม่ไหวเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นสมถนะสมถะที่เหมาะเลยนะคือเจริญเมตตาไว้โอยคนนี้ก็น่าสงสารนะดูสิโง่โง่นะไอ้คนนี้ก็น่าสงสารนะดูสินะนนสสนะสโลภมากนะจ ะ, นนจะเอาน่นจะเอานี่ตีตัวนะก็ถูกๆแหมยอยากจะเลื่อนชั้นอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะดูมันลงไปเลยนะเจริญเมตตาไว้บ่อยๆนะแต่บางครั้งหนูมีหนูมีความรู้สึกว่า พอเรารู้แล้วเราชอบเข้าไปจัดการนะคะอพอจัดการแล้วเราก็รู้ว่าเราทุกข์เราทุกข์เมื่อเราจัดกา ร, รนะค ะ, แ, แ, นะะแล้วทํายังไงดีถึงจะตัดไม่ได้จอนอุบาทเนี่ยค่ะตัดไม่ได้ถ้าตัดได้เนี่ยจิตก็เป็นอัตตาคือสั่งได้ในความเป็นจรงิงไม่มีใครสั่งได้นะหน้าที่ของเราเรียนรู้ความจริงของเขาเรื่อยๆไปงั้นเมื่อไรที่มีกําลังพอนะเราดูเขาทํางานไปเห็นไหมจิตเห็นหน้าคนนี้ก็เกลียดละเห็นหน้าคนนี้ก็ชอบละ แม้จิตเขาเป็นไปเองดูเขาทํางานของเขาไปแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะทําสมถะด้วยการเจริญเมตตาไปเพราของคุณขี้โมโหคนที่ขี้โมโหเนี่ยอารมณ์ของสมถะที่เหมาะนะคือการเจริญเมตตานะดูสิหน้าสงสารออกดูสิคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องไอ้นี่คนนี้ก็โลภมากคนนี้อย่างเนี้นะดูไปแต่ไม่ใช่ดูไปด่าไปนะดูไปมันน่าสงสารดูอย่างเนี้ยนะน่าเห็นใจดูสิพยายามเห็นใจบ่อยๆนะ ใจจะซอบตรงแล้วมีความสุขต้องทนเอาจเจริญเมตตาไว้ถั่วโยมเจอคนละร้อยร้อยเดียวหลวงพ่อเจอทีบางทีตั้งหลายพัน์นะ่แต่เราไม่โมโหนะเราสงสารกลับละมัธกา ร, รเจ้าค่ะท่าอาจารย์ขอโอกาสส่งการบ้านเจ้าค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินจงกรมอยู่แล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ นอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องจิตผู้รู้เราก็ควานหาจิตผู้รู้ของเราใหญ่เลยพอเราได้ยินเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาปบอกว่าจิตเนี่ยมันมาจับอยู่ที่หูเราเนี่ยมันก็ไปเพ่งอยู่ที่หูพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่เห็นกายมันหายไปเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เปพราะว่ะจิตมันก็หายมันตกมันตกใจมันน้ําตาไหลเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แบบว่ามันวูบไปเลยว่าเอ้ย มันหายไปได้ยังไงอย่างเงี้ยเสียได้ไหมเห็นไหมว่าลึกๆเลยนะเรารักในกายนี้มากเห็นไหมแม่เราหวงแหนมากนะเมื่อมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราจะทุกข์มากนี่เราคอยตามรู้ตามดูไปด้วยทุกวันทุกวันดูไปด้วยถึงวันหนึ่งปัญญามันพอมันเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันยืมโลกมาใช้นะเพราะงั้นมันจะหายไปไม่ตกใจแล้วแต่แรกๆเห็นครั้งแรกๆที่ว่ามันไม่ใช่เราบ้างเห็นมันหายไปบ้างอะนี่ตกใจเพราะเรายังรักมันอยู่ค ก็าตามรู้ไปไเรื่อยค่ะแล้วหลังๆนี่จะเห็นอัตราตัวของตัวเองบ่อยๆขณะขับรถแซงเขาได้ก็แบบดีใจ อ, อัตราก็โผงมาดีที่เห็นใช่ค่ะนะทีนีอ้อยากจะกลาวเพียงถามอาจารย์ชอบไปดูอัตราคนอื่นอืไม่ดีใช่ค่ะพ<อ>ยายามดูมดของตัวเองนะอย่างเช่นเราไปเห็นอัตราคนอื่นแล้ ว, ลวเราก็เือหน่ารังเกียจจังเลยใค่ะเรารู้ทันที่ใจเรานี้ใจเราไปดูถูกเขาละ เรารู้ทันที่ใจเราคือเราจะตั้งแต่แรกไม่ได้ใช่ไหมเ้าคะเหมือนเมืที่มันไปรอดูอยู่อะไรเงี้ยให้รู้ทันว่าใจไปรอดูของคนอื่นก็แล้วของตัวเองก็ดูเหมือนกันด้วยดูต้องตัวเองบ่อยๆมีคราวหนึ่งนะหลวงปู่ดูลนะท่านไปเยี่ยมหลวงพุทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่ดูลอยู่สุรินหลวงพุทศอยู่หนองคายแต่ท่านรู้จักกันท่านเคยอยู่อุบลด้วยกันหลวงปู่ดุลไปหาหลวงพุทศไปคุยธรรมะกันพอสมควรหลวงพุทศก็ขอโอกาส ให้โยมในวัดได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดุลด้วยก็นะโยมก็มานั่งฟังหลวงปู่ดุลก็สอนอให้ดูจิตไปหนะ้าวันหนึ่งจิตมันยิ้มย่ะ ก, กิเลส น, ะนี่โยมคนหนึ่งนะคุณป้าคนหนึ่งก็ฟังโอ้ต้องภาวนานจนจิตมันยิ้มย่อ ก, กิเลสได้นะพอหลวงปู่ดุลกลับไปนะั่นแกก็ดูจิตของแกทุกวันเลยนะแล้ววันหนึ่งไปส่งกันบ้านคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันเห็นแล้วจิตมันยิ้มหลวงปู่ถามจิตมันยิ้มยังไงมันยิ้มย่อกิเลสเจ้าค่ะ มันเป็นยังไงล่ะมันเห็นใครมีกิเลสนะเจ้าค่ะมันยิ้มย่อตลอดเลยไม่ได้นะุค่ะมันต้องย่อเยอะกิเลสตัวเองได้นะไม่ใช่ยะกิเลสคนอื่นนะเจ้าค่ะก็เห็นตัวเองมกันว่าเอ๊ะมันจิตมันส่งออกนอกไปนะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราทุกข์เพราะเราไปชอบเฝ้ามองคนอื่นเขาถ้าเราไปดูคนอื่นกิเลสของเราจะมากขึ้นเจ้าค่ะถ้าเราดูตัวเราเองนะกิเลสจะลดลงค งั้นดูตัวเองบ่อยๆนะใจมันไปดูถูกคนอื่นปุ๊บรู้ทันมันกลับเข้ามาที่ใจของเรานะต่อไปกรขอบุญเจ้าคับการนอมนมสักการหลวงพ่อครับที่ผมพัฒนาอยู่นี่ถูกถูกหรือยังครับผมดูกายดูใจสลับกันไปนะครับถูกนะแต่ตอนนี้เพ่งนึกออกไหมนะเจอหลวงพ่อแล้วมันไปเพ่งเข้าให้เนี่ยตอนนี้ใจไหลวิชิตทราบไหมครับนะ รู้สึกไปใช้ได้ขอวิหารธละทนะครับทําได้อยู่แล้วเนี่ยดูไปได้วยทั้งกายทั้งใจนะสมัสการครับหอวงพ่อเดี๋ยวเสื้อสีชมพูหลงไปแล้ะตอนนี้เริ่มเพ่งนะ้รู้สึกไหมศัตรูมีสองอันนะหลงไปเผลอไปกับเพ่งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเผลอไปก็รู้ทันเพ่งอยู่ก็รู้ทันแล้วค่อยๆคลายออกอย่าเพ่งหลวงพ่เสียเวลากการทําสมถะนะติดเพ่งอยู่ยี่สบสองปีนะ่ ตั้งแต่เจ็ดขวบนะเพ่งมาจนอายุยนะี่สิบเก้าเวลาเปล่าๆนะได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่ได้งั้นเราไม่ไปเพ่งให้จิตนิ่งหรอกปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมันนะคนคว้าพิจนาลงในกายในใจไม่ไมหยุดเลยนะดูกายทำงานดูใจทำงานนะัางเกิดปัญญานะอาต่อไปมาสักการกับหลวงพ่อคือปัะจําหนึ่นะครับ <c oughs> ต้องเล่นงานนี้อีกหน่อยลงอีกแล้ว นึกออกไหมเออตาไปนี้ทำไงดีหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไวๆนะอย่าบังคับมันนะไม่ใช่บังคับไม่ให้หลงนะหลวงพ่อบอกหลงแล้วก็รู้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าห้ามหลงนะถ้าเมื่อไหร่จะห้ามหลงก็จะกลายเป็นเพ่งตอนนี้หลงอีกแล้วทราบไหมนะสังเกตไม่ใจมันไหลไปให้รู้ทันไวๆนะใจไหลไปก็รู้ใจไหลไปรู้อาเชิญคับก็บปฏิบัติมาได้สัก ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าล่ะครับแต่ว่าทีนี้อยากเห้หลงก็ เ, งงเห็นครับถ้าเห็นกิเลสไม่ผิดหรอกนะทีนี้กลัวว่าถ้าผิดแล้วไปทำไปเรื่อยๆกลัวจะไม่รู้ว่าผิดนะครับถ้าเห็นกิเลสอยู่นะกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันใช้ได้ะถ้าจากนั้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่กิเลสเกิดแล้วกเกลียดมันนะอย่าไปเกลียดมันรู้ด้วยความเป็นกลางไปนะค่อยฝึกไปอย่างนั้นแหละ รู้ทันกิเลสบ่อยๆกิเลสเกิดได้ทั้งวันกลับน้มำมันสังขารคุค่นใ้ได้น ะ, ค, ะนะคนที่หนึ่งสองสามแถวที่สี่ของคุณที่ใส่แว่งนี่คนที่แถวที่สามถัดไปข้างหลังอีกคนข้างหน้ า, าอีกคน <laughs> รู้สึกตัวไปได้ๆนะดูกายดูใจมันทำงาน ครับกับนันนามัสการหลวงพ่อครับเพิ่งมีโอกาสส่งการบ้านเป็นครั้งแรกครับแต่ได้ฟังซีดีอ่านหนังสือมาบ้างก็เลยไม่ทราบว่าที่ทํายอยากจะรู้ว่าถูกหรือเปล่าครัอย่างที่หลวงพ่อว่า่เห็นกิเลสไหมก็พอเห็นเห็นเห็นบ้างครับถ้าเห็นกิเลสหรือนะก็ใช้ได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งนะกิเลสเกิดทั้งวันน่ะกิเลสที่เกิดบ่อยที่สุดคือใจลอยใจลอยเป็นโมหะนะหลงไปเพลินไปลืมกายลืมใจตอนเนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหม นะพอใจเราไหลไปเรารู้ใจไหลไปเรารู้ฝึอกอย่างนี้บ่อยๆนะที่ฝึอกอยู่ใช่ได้เยอะขณะนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตกระจายกระจายออกไปดีไปฝึกขด้คครับนเรื อ, อบินนี้เก่งหลายคนนาะใช่ได้พวกที่ส่งกันบ้านแล้วดีกว่าเก่าเพราหายเครียดแล้วนะจีแรกตอบส่งกันบ้านทีแรกนั่าเละเลยเละตุ้มเป๊ะเลยเครียดจัด นะเอาสรุปแล้วน่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับหมดแล้วน่าสรุปนะพวกเราขั้นแรกเลยรักษาศีลไว้ก่อนนะคนที่ไม่มีศีลจิตไม่สงบหรอกถัดจากนั้นเราก็มารักษาจิตด้วยสติมีสติคอยรู้ท่านจิตตัวเองเรื่อยๆจิตฟุ้งซ่านไปรู้จิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆจิตมันจะสงบจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่มีสมาธินมันหลงไปมันลืมตัวเองไป นะหรือไม่ก็เพ่งอะไรซึมกระถือไปนะเรามีสติรู้ไปเรื่อยนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนดีท่านบอกให้มีสติรักษาจิตไหมสตินั่นแหละทําหน้าที่รักษาจิตนะเราไม่ต้องรักษาจิตนะสติจะเป็นคนรักษาจิตเองเพราะสติหน้าที่ของสติคือการอารักขาการคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วแล้วเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆนะจิตจะค่อยๆสงบค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ลืมตัวเอง จากจนั้นมาบันเดินปัญญาเห็นกายเขาทำงานเห็นจิตเขาทำงานไปเรื่อยไม่บังคับเขาเราจะเจริญปัญญาได้นะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ใช่ไปดูจนจิตเที่ยงไม่ใช่ดูจนกระทั่งจิตมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ใช่ดูจะรู้สึกกูเก่งกูเก่ ง, ก, ก, งกูบังคับทุกอย่างได้ไอนั้นยิ่งภาวนาผิดแล้วยิ่งภาวนายิ่งหลงผิด เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเหน็นของเป็นทุกข์ว่าสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรากาวนาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะงั้วเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะเห็นแต่ว่ามันบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตก็เป็นของที่บังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนี่ฝึกอย่างนี้นะเรียกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราจะรู้ตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็จิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวในขณะเดียวกันไม่ได้ไปเพ่งเอาไว้เป็นจิตที่รู้นะไม่ใช่จิตที่เผลอไม่ใช่จิตที่เพ่งดันั้นเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูกายทํางานดูใจทํางานก็จะแสดงใจรักให้เห็นเองนี้พอดูไปดูไปแล้วเราไม่เป็นกลางนะ พอเห็นว่ามันดีเราก็ชอบเห็นมันเร็วเราก็เกลียดนะเห็นมันสุขเราก็ชอบ <c oughs> เห็นมันทุกข์เราก็เกลียดเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางพอมันไม่เป็นกลางขึ้นมาให้เรารู้ทันนะตอนนี้จิตไม่เป็นกลางและกิเลสเกิดแล้วจิตเกลียดกิเลสแล้วน่รู้ทันที่ความเกลียดนี่นะจิตเกิดกุศลจิตเกิดความสุขแล้วชอบชอ บ, ชอบนะหลงไปชอบเนี่ยหลงยินดีแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตหลงยินดีไปแล้วในที่สุดจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายนะ ตรงที่จิตรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางอย่างแท้จริงก็จะเห็นความจริงของสภาวะได้อย่างชัดเจนเนาะสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะกระทั่งความโกรธก็ต้องมีเหตุถึงจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็โกรธดได้ลอยๆนะอันแรกเลยต้องมีพื้นฐานต้องมีนิสัยเคยโกรธมาขี้โมโหยิ่งคนไหนขี้โมโหยิ่งโกรธเร็วไหมมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ อันที่สองต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะถ้าไปขี่โมโหก็จริงอะ่ะแต่ไปไหนก็มีแต่คนเอาใจนะก็ไม่โกรธสนะิบางคนก็บอกนะว่าไม่เคยโกรธใครไม่เคยอาฆาตใครสูสีไทเฮาเนี่ยเคยพูดเลยนะบอกเรานี่นะตั้งแต่ครองแผ่นดินมาเนี่ยเราไม่เคยอาฆาตใครเลยเพราะเราโกรธใครมันตายแล้วนะไอ้อย่างงี้ไม่ได้นะถ้ากระทบอารมณ์ไม่ดีนี่นิสยไม่ดีก็มีอยู่นะ โทสะก็เกิดนะถ้ากระทบแต่อารมณ์ที่ดีนะโทสะก็ไม่เกิดนะเนี่ยต้องมีเหตุนี่ถ้าเราไม่ได้กระทบอารมณ์ชั่วๆนะไปไหนก็กระทบอารมณ์ดีแล้วโทสะไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือเวลาที่โทสะเกิดขึ้นมาคนขับรถปาดหน้าเราเราคิดถึงมันนะยิ่งคิดถึงมันยิ่งโกรธสังเกตไหมตอนที่คนปาดหน้าถ้าเราใจลอยคิดเรื่องอื่นอยู่เราจะไม่โกรธ เราต้องคิดแน่สัแค่ไหนว่ามันจะรีบไปไหนพ่อมึงจะตายหรือเปล่าอย่างเงี้นะเขคิดในทางไม่ดีอย่างนี้นะโทสะถึงจะเกิดเห็นไหมโทสะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปหมดเหตุยังไงเช่นพอโทสะเกิดเราเห็นไี้นี่ขับรถปาดหน้าเราแนละโกรธมันนะเราเห็นใจที่กําลังโกรธขณะที่เราเห็นใจที่กําลังโกรธเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องที่เขาปาดหน้าแล้วเหตุที่ทําให้โกรธนะคือการที่เราไปคิดในทางพยาบาทต่อเขาเนี่ยนะนะพยาบาทวิตกมันทําให้โทสะเกิด เรามีสติรู้ทันว่าจิตโกรธนี่นะขนาดที่เรารู้ทันจิตอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดเรื่องที่เข้าปานหน้าแนละ้วโทสะหมดเหตุยหมโทสะดับปั๊บลงไปเลยนะค่อยฝึกนะเราจะเห็นเลยสิ่งทั้งหลายเกิดจะเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับไปไม่ใช่กูเก่งนะไม่ใช่กูเก่งนะดูไปดูไปไม่มีกูหรอกนะถ้าไม่มีกูแล้วใครจะทุกข์อ่ะขันห้าเป็นทุกนทนนะนะทุกกขขแแตต่่่่่่ไไมมมมมมีมีีีคคนนนนททเเเป็จจ้้าาาออองงนะะวยู ฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะมีความสุขพวกเราทุกคนคือคนที่มีบุญเราได้เป็นมนุษย์นะสมบูรณ์ด้วยกายสมบูรณ์ด้วยใจนะในห้องนี้เรามีศรัทธาในพระศาสนาเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะเราได้รู้วิธีปฏิบัติละนี่เรามีบุญนะต่อจากนี้เหลืออีกอันเดียวทําบุญให้สมบูรณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงๆนะจนวันหนึ่งได้ครอบครองธรรมะอยู่เต็มหัวใจเราเองนะเราจะไม่ทุกข์อีกแล้ว นี่คือทางที่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะทางอื่นได้แค่ลดความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวความทุกข์ก็มาอีกนะถ้าเราจเจริญสติจเจริญปัญญาไปเรื่อยนะศีล ส, สมาธิปัญญาแก่รอบศีลนะก็ล้างกิเลสหยับหยับไปสมาธิก็ล้างกิเลส ช, ชั้นกลางปัญญาการตามรู้กายรู้ใจก็ล้างความหลงผิดความหลงผิดนี่คือกิเลส ช, ชั้นละเอียดที่สุดนะหัวจบของมันก็ชื่ออวิชชานั่นเองความไม่รู้แจ้งอริยสัจ แล้วเราคอยรู้ลงในกายในใจนะวันหนึ่งจะรู้แจ้งอริยสัจนะเราจะพ้นทุกมีความสุขที่สุดเลยไม่รู้จะบอกไงนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกมาทุกวว่ามีความสุขจริงๆนะอาเท่านี้พอตามเวลาเลยนะครับก็มาตรฐานกรีดิต <c oughs> เลยมีของที่พวกเราพร้อมกันแกนถวายนะครับผมขอเป็นโอกาสเป็นตัวแทนกล่าวถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ปัจจัยไชยธรรมและเครื่องอัฏฐบริขารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับปัจจัยไชยธรรมอัฏฐบริขารและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินรับพอ่อหน่อยนะหรือเป็นพอนปีใหม่ไปเลยนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาขรางเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกะปติ อิิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเทปูเรนตูสังกป่าชันโธปนาราโซยัถามณีโชติระโซยัตถสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพรโรคโวินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายยโภภาว อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาป จ, จายโนจ ต, ตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันครับภาคเพียร น, นะภาคเพียรหลวงพ่อหวังดีหรอกนะภาคเพียรภาวนาเขาจะได้พ้นทุกไปจะได้ไม่ต้องเกิดมาเจอกันอีก <c oughs> เราจะรอส่งหลวงพ่ออยู่ในห้องนี้นะครับทุกครับ